ว أ าชัดว่าอัน عبد ه แ ر س و ل ه ا ل ل ه م ب ك أ ص ب ح ن ا و ب ك أ م س ي ن ا و ب ك ن ح ي ا و ب ك ن م و م ت و إ ل ي ك ن ن ش ر أ ع و ذ ب ك ا ل م ا ت ا ل ل ه ت ا م ا ت ي م ش ر م ا خ ل ق ب سم الله الذي لا يضر ما اسمه ش ي ع في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Assalamualaikum ah w uh. an, Muslim, e a r a h m a t u l l a ท่านอาจารย์นรุรณีสมาชิกที่เป็นมุสลิมและมุสลิมะและมุอาลลัฟที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับวิชาอัลกิลามที่มาจากกิจาบุลล์และสุนนะของท่านนาบีที่รักทั้งหลายครับพี่น้องต้องขอบคุณนบีสุบฮานหูอัตตาการขอบคุณนบีนั้นทําให้อีมานทําให้ศรัทธาของเรานี่นะเพิ่มขึ้นด้วยที่ผมอ่านตอนตอนเปิด ผมอ่านดวอาสองสามบทแต่จะเอาดูอาบทสุดท้ายที่ผมขอก็คือว่า um อัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกามินะลกัสลอัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความขี้เกียจขี้เกียจ ด, ดีไหมไม่ดีอิสลามไม่ส่งเสริมให้คนขี้เกียจ อิสลามไม่ส่งเสริมให้คนนอนหลังนมาสุโบอนอกจากคนป่วยถ้าจะนอนก็นอนได้ถ้าเป็นคนป่วยแต่คนไม่ป่วยเนี่ยนบีสั่งบอกว่าอย่านอนตั้งแต่รุ่งอรุณขึ้นพอเข้าเวลานมาสุโบเนี่ยให้ตื่นตื่นแล้วจะหากจะนอนต่อให้รอตะวันขึ้นก่อนแล้วค่อยนอน ทำไมนบีมุฮัมมัดมาสอนเรื่องอย่างนี้ของที่นบีนำาอามาชีเป็นทางนำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองคนที่นอนก็คือคนที่ไม่ต้องการที่จะรับริสกีที่อัลลอฮ์จะประทานให้ในช่วงเช้าเแสดงว่าเราไม่อยากได้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้ ใครบอกล่ะก็อัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดให้นบีมาประกาศเพราะฉะนั้นท่านนาบีเนี่ยเข้าไปในบ้านลูกสาวของท่านหลังจากนมาสุบโบเสร็จพี่น้องได้ข้อคิดอะไรครับข้อคิดคือพ่อไปเยี่ยมไปเยี่ยมลูกพ่อไปเยี่ยมลูกตอนไหนหลังนมาซุบโบ ปรากฏว่าไปเข้าไปในบ้านไปเจอลูกสาวที่ยืนชื่อว่าท่านหญิงฟาติมาเนี่ยกำลังนอนอยู่นบีปลุกนบีก็บอกว่าอย่านอนลูกเอ้ยเพราะว่าช่วงตั้งแต่รุ่งฮารุนขึ้นจนกว่าตะวันจะขึ้นนั้นเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮประทานเครื่องอยังชีพริสตีให้ตื่นขึ้นมา พี่น้องคนที่ตื่นแต่เช้าเช้าทำงานตั้งแต่เช้เช้านี่พี่น้องมีบรารัมกาศในชีวิตพี่น้องสังเกตที่คนที่มีอาชีพค้าขายเนี่ยเขาตื่นก็ตั้งตีตีสามตีสี่ก่อนจะออกไปทํางานเขาาคนฉลาดต้องนมาศก่อนนมาศตะฮัดยุดก่อนขอบคุณอัลลอฮฺอ่านคุณอ่านวิครุลล์สักอย่างละสิบนาทียี่สิบนาทีอะไรก็ตามมันคนฉลาดพี่น้อง ยิ่งคนที่ทามาค้าขายเนี่ยขายประตุงโกเนี่ยเจ้าช้าก็ตื่นเต่สามเตี่สีกันหมดไปนอ<ช>้องฉะนั้นน บ, บีสั่งเนี่ยมุสลิมที่อีหมานต่อรลเขาไม่นอนหลังจากรุ่งอรุณขึ้นทุกคนจะต้องตื่นหมดในบ้านบ้านใดก็ตามที่ตื่นแต่เช้าเนี่ไปน้องครับบ้านนั้นดีมากเลยครับมีบราริกามีความจำเรินจากอัลลอฮฺ س ب ح อูวะต่าลาข้อที่สาม ข้อที่สองขอดูอาว่าว่าเอาโุบิกาบินซูอิลกิบารีขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากความชาราแล้วหลงลืมคนที่อายุหกสิบเจ็ดสิบหลงหล ง, ล, งลืมลื ม, ด, ม, มดีไหมไม่ดีพี่น้อง ท่า น, นเราต้องขออนุญาตรออัลลอฮฺจ๋าจอยากให้ฉันเป็นคนหลงเลยเป็นคนหลงและลืมเป็นโรคอัลไซเมอร์ขออนุญาต่ออัลลอฮฺอุมะอินนีอูดูบิกามินซูอิลกีบารีแก่แล้วลูกหลานไม่เข้าหาดีไหมแก่แล้วลูกไม่มาหาลูกไม่มาเยี่ยมหลานไม่มาเยี่ยมเอาไหมผมไม่เอาเราต้องการให้ลูกมานั่งค้างๆ ลูกไม่มาก็หลานมานั่งกลางๆพ่อเรามีความรู้เราเข้าใจอุราเราเข้าใจฮะ ด, ดีสที่ท่านอับดุเีสอนเราอุ้มความรู้ที่มาจากชั้นฟ้าอยู่ในหูอกเราเต็มไปหมดนะเ้าจะไปสอนใครไปน้องลูกหลานไม่เข้ามาที่น้องได้ความรู้ตรงนี้ไปน้องเก็บไว้รู้เป่าคนที่อุ้มความรู้ knowledge ที่มาจากชั้นฟ้าในไปน้องเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธ ที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านยิบรีนความรู้ที่นบีสอนออกมาจากริมฟปากนบีเป็นความรู้ที่สะอาดทั้งหมดพี่น้องเราอุ้มมาไว้อยู่ในหัวอกของเราพี่น้องจะเดินไปไหนมาไหนอิรซามีจากชา้นฟ้าเนี่ยจะประทานลงมาให้กับคนที่อุ้มความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์สุภาพนาวูวนอะไรอ่านกัมภีรเยอะๆพี่น้องท่องจาบกุราน ุราลาฟาติค้างพี่ไน้องอ่านเยอะๆเราก็รู้ความหมายของมันเราอุ้มความรู้ไว้ในหัวอกของเราไน้องขอบคุณอัลลอ์นะครับที่เราขอดู้เอาอัลลอ์อยากให้ฉันเป็นคนขี้เกียจอัลลอ์ขอให้ฉันมีอายุเยอะแล้วอายุหกสิบเจ็สิบแปันอาจารย์เบรกอร์ น, นีอายุเจ็ดสิบน้องยังทำงานาศาสนาเลยถามว่าดีไหมลนะ่ะ ในขณะที่คนอายุเจ็ดสิบเหมือนกันไปน้องนั่งเล่นลุกเขา ค, คูได้อะไรไปน้องผลบุญโยนมีไหผลบุญนมีตอนให้อาหารมันกินเท่านั้นแหละแต่ถ้าเอากุรอานมาเนี่ยถ้าเชิญคนมามานั่งฟังศาสนาผลบุญโยชนมีไหมอันท่ำดูเร่พไปน้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษที่ ที่นรกขอความคุ้มครองจากเอาล่องให้พ้นจากการทรมานในสุสานพี่น้องนึกนึกตามผมนะทําไมขอความคุ้มครองจากเอาล่อให้พ้นจากการลงโทงษทีษ่ไฟนรกก่อนแล้วก็จากกูโบที่หลังจากสุสานที่หลังสแสดงว่าการลงโทษที่นรกนั้นมันหนักหนักมากพี่น้องส่วนการลงโทษที่สุสานนี่มันเบาหน่อยมันไม่หนักเหมือนกับการลงโทษที่อยู่ในสุสาน พี่น้องนบีนี่สอนให้เรานึกคิดในเรื่องข้างหน้าเห็นไหมคิดตอนแก่อย่าให้หลงอย่าให้เป็นคนขี้เกียจอย่าให้ถูกลงโทษที่นรกอย่าให้ถูกลงโทษที่สุสานในเรื่องข้างหน้าหมดเลยครับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราต้องประคองตัวของเราทํายังไงให้อัลลอฮ์เนี่ยพึงพอใจตัวของเรานะครับอย่าให้อัลลอฮ์โกรธ พี่น้องครับหนังสือที่ทางสมาคมเนี่ยนะครับทางสมาคมแจกนะหนังสือนี้ก็คือสามสิบอายะปกป้องการลงโทษในสุสานอัลฮัมดุลิลลาฮพี่น้องเราก็สอนให้ไม่จะสอนนั่งคุยกันพี่น้องวันนี้มาถึง อายาที่สิบแปดแล้วพี่น้องนะครับอายาที่สิบแปดแล้วนะผมก็จะอ่านให้ท่านพี่น้องฟังนะอายาที่สิบแปดของสุรอะลมุลพี่น้องสูรมุลเนี่ยพี่น้องใครที่อ่านสูรนี้ท่องจำสูรนี้นะครับ คนที่อ่านสุรนี้ท่องจํำสุระนี้แล้วก็อ่านสม่ําเสมอสุระนี้แหละจะทําการอนุเคราะห์ช่วยเหลือเขาในวันเตียมะกุรานช่วยได้พี่น้องพี่น้องเรารู้ได้ยังไงว่ากุรานช่วยได้ก็เพราะนาบีสอนเราอ่ะนบีชี้นําให้นบีบอกว่าโอ้กุรานนี่ช่วยได้นะ กุณานนี้ช่วยเราได้เป็นน้องอนุเคราะห์เราได้ในวันเกียรติมาแล้วก็จะช่วยเราให้ออกห่างจากไฟนรกแล้วก็ช่วยเราให้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาเทนี้มันมีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งน่ะคนที่อ่านสุรานี้ต้องเป็นคนที่เคร่งครัดอต้องเป็นคนที่ รักษาตัวเองให้ดีประคองตัวเองใหด้ดีอย่าทำอะไรผิดอย่าทำอะไรผิดพี่น้องพี่น้องทราบไหมศัตรูศัตรูศัตรูพี่น้องในกุรานเรียกว่าอาดูศัตรูของมนุษย์เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกไว้นะ่ะรู้ไหมใครศัตรูของมนุษย์ก็คือชัยตอน อ่านี่เป็นศัตรูครับพี่น้องกุณอานอัลลอฮ์สอนอย่างนี้อินนชัยิอนแท้จริงชัยต่อนั่นอาดูวุนเป็นศัตรูเป็นเอนิมีเป็นศัตรูพี่น้องมูบีนที่ชัดแจ้งที่สุดพราะต้องต้องนึกอยู่เสมอว่าชัยตอนเนี่ยนั่นก็เป็นศัตรูหรืออิบลิส อิบลิสมีอยู่คำหนึ่งอีกคำหนึ่งเรียกว่าชซตตอนอิบลิสเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์พี่น้องส่วนลูกน้องเรียกว่าชายาตีหรือไชตยตอนเป็นศัตรูของมนุษย์ครับทีนี้ชซยตอนมีหน้าที่ทำอะไรพี่น้องดึงมนุษย์ออกจากทางที่ถูกต้องคือเป็นอย่างี้ชซตตอนมันทำหน้าที่ทำหน้าที่หกอย่าง หนะ้าทำหน้าที่หกอย่างพี่น้องหนึ่งยุให้คนนั้นปฏิเสธคําสั่งของอัลลอฮ์ยุให้มนุษย์นั้นไม่เชื่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์มียิ่งอัลลอฮ์มองไม่เห็นตัวนี่มันยุง่ายนะ ด, ดูเลยพี่น้องยุว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีอย่าไปเชื่ออัลลอฮ์องเดียวต้องเชื่อพระเจ้าหลายองค์นั่นชัยตอนหน้าที่มันเป็นอย่างงี้พี่น้อง จะนั่นถ้ามันยุคนให้ทรยศต่ออัลลอฮ์ได้ให้ปฏิเสธอัลลอฮ์ได้หรือให้ทำชิริกได้ทำชีริกก็คือแม้แา่ว่ามีพระเจ้าหลายองค์พี่น้องเชื่อว่าพระเจ้ามีหลายองค์นี่อย่างมีปัญหาอย่างมุสลิมนี่พี่น้องถูกหลอกกันเยอะให้ทำชีริกมุสลิมนี่ยใช้ตอนโย่ให้ทำชิริกนมาดด้วยนะ แล้วก็ไปหาโตะตะเกียด้วยนำมาด้วยแล้วก็ไปหาโตะระยองด้วยนำมาด้วยแต่เวลาจึงจบทักไม่กล้าออกจากบ้านตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มมีนกแขกบินผ่านรลังคาบ้านแขกโตสอนคนที่บ้านสอนจะมีคนตายนี่เป็นฉีริกทั้งหมดพี่น้อง และสิ่งเหล่านี้มันถูกสอนกันมาในบ้านพี่น้องพูดข้าหูหลานพูดข้าหูลูกนี่จะมีคนตายแหละพี่น้องลูกก็จำพี่น้องกลายเป็นอากีด้าความเป็นความเชื่อเลยพี่น้องนี่แหละสอนให้คนชี้ฤกต่ออโลพี่น้องสั ญ, ญลักษณ์ของคนที่จะตายนี่พี่น้องป่วยไม่ใช่นกบินไม่ใช่ สั ญ, ญลักษณ์ของคนที่จะตายนี่ไปน้องครับอลัลลอฮ์ส่งสัญญาณมาก่อนนะบางทีไม่มีสัญญาลเลยนั่งรถไปรถชนตู้มตายไหมตายแต่หากเป็นกฎธรรมชาติอลัลลอฮ์วางไว้ไปน้องต้องป่วยก่อนแล้วก็ค่อยๆหายไปทีละอย่างตาค่อยๆมัวค่อยๆเจ็บนูนเจ็บนี้นี่เป็นอลัลลอฮ์บัดคนใกล้จะตายไปน้องไม่ใช่นกบินแควื่ตอนกลางคืนอาคนจะตายไม่ใช่ หน้าที่ของไซตตอนก็คื อ, อยุให้คนนั้นทำชิริกยุให้คนนั้นทรยศต่ออัลลอฮ์ปฏิเสธอัลลอฮ์ถ้าทำไม่สําเร็จอย่างที่นั่งอยู่ในตึกอันยุมันเนี่ยรับรองไซตตอนมายุทาราก็ทํา ไ, ไม่สําเร็จใช่ไหมพอเราเข้าใจาอิสลามแล้วถ้ายุอันที่หนึ่งไม่สําเร็จยุอันที่สองให้ทําบิดอาให้ทําบิดา บิดรอะไรพี่น้องอย่างเนี้ยอย่างครั้งที่ผ่านมาเนี่ยวันนิสฟูวันอาชูรอวันที่สิบเดือน ม, มูฮัรรอมวันที่สิเดือนมูฮัรรอมเนี่ยพี่น้องหรือว่าเดือนมูฮัรรอมทั้งเดือนเนี่ยปู่ย่าตายายเราสอนมาอย่างงี้นะเป็นเดือนที่ห้ามไม่ให้ทําอะไรเลยปลูกบ้านก็ไม่ได้นะครับแต่งงานก็ไม่ได้ปลูกซ่วม ก็ไม่ได้ทําของดีๆนะสักสอย่างนึงไม่ได้เลยเพราะเป็นเดือนห้ามฮารอมฮารอมมาถึงมูฮัตรอมนี่ที่นี่เดิมก็แปลว่ า, เ ป, เ, าเป็นเดือนที่ไม่อนุญาตให้ทะเลาะกันเป็นเดือนที่ไม่อนุญาตให้ทําสงครามกันแต่เราไม่ได้เรียนเยอะพี่น้องที่บ้านคุยให้ฟังโต๊ะคุยให้ฟังว่าเดือนนี้อย่าทําอะไรนะ ปลูกบ้านไม่ได้แต่งงานไม่ได้แต่แอบไปทําสินาได้ฮะแอบไปมีชู้กันนอกๆในได้เขา้าเช่าโรงแรมได้แต่เจตนาหนีกล้ากันถูกต้องเนี่ยไม่ได้บาบาบาอย่าทำอย่าทำอย่าทำปลูกบ้านก็นไม่ได้ปลูกซ่วมก็ไม่ได้นี่บินอาไปเนอะหรืออีกอีกอย่างหนึ่งก็คือวันที่สิบมหารอมเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยเราถูกอบรมว่าจะท่องกูวันขนมอาชูรอเรียกว่าซูรอใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรามาเรียนซุนนะกันเราบอกอะชูร์อนบีไม่เคยทำอะสิ่งที่นบีทำก็คือถือศีโอดอในวันที่สิบมหฮัตรมแล้วก็ต่อมานาบีมาพูดว่าให้ถือศีโอดสองวันวันที่เก้ากับวันที่สิบ หรือไม่วันที่สิบกับวันที่สิบอให้ถือสินอดสองวันเพื่อไม่ให้เหมือนกับคนยาฮูดีและนัสรอนีที่เขาถือสินอดเพิ่งมารู้ไปร้องฉะนั้นการที่เราที่เรายึดสุนนะของท่านนาบีไปน้องทั้งหลายนะครับถ้าไม่ใช่ตอนเสียใจนะอ๋เมื่อก่อนเนี่ยยุให้คนซุกอมาเดี๋ยวนี้มันเลิกไม่ทําสุกอแต่บางคนก็ยังทาสุกออยู่ก็ไม่มีปัญหาทำเถอะเราบอกผมด้วย ไปอาศัยกินบ้างบ่มันมันจะกินมานานแล้วเนี่ยสุโอร่อยนายเป็นน้องนะถ้าไม่ดีๆหน้าทานจะตายไปน่าจะตักษาสูตรนี้ไว้เป็น้องอันะนั้นทหารชายตอนหมดโอกาสที่จะทําให้เราทำทำมาทำชีริกให้เราทิ้งศาสนาถ้าไม่สําเร็จมันจะโย่ให้เราทําบิดาทําบิดาพี่น้องบินอาเนี่ยอย่าลืมนะโทษหนักนายเป็นน้องคนทําบินอานี่อัรอทําไงเหรู้ไหม ด่ละละหลงทางใครที่หลงทางสู่นรกทันทีฉะนั้นเราปกป้องท่านพี่น้องพี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครทําบิดอาแต่ถ้าหากว่ายุให้ทําบิดาไม่สําเร็จมันยุให้ทําข้อที่สามให้ทำบาปใหญ่เอาบาปเดียวก็พอบาปใหญ่ฉันนักอุตสาหนามาครบห้าเวลานะแต่ขอทําบาป ทำบาปอย่างเดียวพอซื้อหวยอ่าพอแล้วอันเดียวพอยาอย่างอื่นเลิกหมดแล้วไอ้ลอตเตอรี่นี่ไม่ได้หมันมันมันอะไรมันชวนจังเลยเราไปหาขู่ต้อ ง, งต้นไม้ดูแล้วเลขขึ้นโอโ้รอพี่น้องงั้นขอทําบาปอย่างเดียวซื้อหวยบาปยาเน่ซื้อหวยได้เป็น้องนะ เมื่อหลายเดือนมาแล้วมีอยู่คนหนึ่งอยู่ที่อะไรจังหวะอะไรทังนู้นน่ะลงซื้อพิมพ์ด้วยไปน้องคุมฮิจาบสวยเลยไปน้องได้มาห้าบสี่ล้านหรือซือสี่สิบห้าล้านไปน้องแล้วก็ประกาศว่าฉันจะเอาเงินบางส่วนไปสร้างมัสยิดอ่าไปน้องพูดนาดีแต่ทำผิดทำบาปใหญ่ไปน้องหาเงินหารอมเข้าบ้านได้ไหมในอิสลามเนี่ยไม่ได้ไปน้อง อา้าวถ้าหาสายตอนอยุพวกเราไม่ได้สายตอนมันก็ยุต่อไปอีกให้ทําบาปเล็กๆอา้าวบาปเล็กมีอะไรพี่น้องหลายคนยังยังไม่รู้ว่าบาปเล็กคืออะไรเลพี่น้องครับบาปเล็กก็คือโอ้อวดอวดอวดอ้าพี่น้องใส่เพชรมาก็อวดขับรถออกจากบ้านรถ ราคาแผงๆป้ายแดงอวดนี่บาปเล็กทั้งหมดไปน้องแล้วก็มายืนนมาดที่มัสยิดนะะนมาดนาดีไหมดีแต่ใจนึกถ้าเรา น, ะ น, น, นานๆเข้าสุราอีที่วันนี้อวดชาวบ้านมันเลิกนั่นแหละอวดทั้งหมดเป็นบาปเล็กทั้งหมดฟีมือใครฟรีมือใายตรไปน้องมันทําให้เรามันยุให้เราได้ไปน้องเนี้ เอารอยู o, อวดไปน้องบางทีพูดอวดแต่งตัวอวดขับรถอวดใส่เสื้อผ้าดีๆอวดใส่รองเท้าอวดอวดหมดเลยไปน้องระวังระวังระวังนั่นใช่ตอนทั้งหมดนะครับอา้าวถ้าหากว่าเราโยพวกเราให้ทํำบาปเล็กไม่ได้ไปน้องครับมันก็ยุให้เราทํำบาปข้อที่ห้าก็คือทําอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งไม่มีผลบุญก็ยอม ขออย่าให้มีบาปไปแล้วกันไปน้องผละบุญไม่มีไม่มีปัญหาไปน้องไปน้องอะไรบ้างยุให้ยุให้ทําของที่ไม่มีผละบุญไม่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาไปน้องมีเยอะในสังคมเราไปน้องเท่าไหายนะครับขอยกตัวอย่างง่ายๆก็คือทำความทาอะไรก็ตามที่ผละบุญไม่มีไปน้อง เช่นอะไรบ้างนายพี่น้ององนึกสิผลละบุญที่ทําแล้วผลละบุญไม่มีนึกออกไหมมีอะไรบ้างอ่าใครรู้บ้างยกมือผลละบุญไม่มีพี่น้องเนี่ยทําบุญพี่น้องยกยกตัวอย่างทําบุญเนี่ยไปเอาอะไรนะไปเอาเงินดอกเบี้ยที่ธนาคารของเราใช่้หม่ะ ดอกเงินฝากไว้ตั้งหลายล้านพี่น้องดอกเบีย้ยมาเต็มเลยพี่น้องนี่แหละเงินดอกเบีย้ยทั้งหมดนั่นพี่น้องแล้วเราก็ทำเหนื่อยไหมเหนื่อยพี่น้องผลบุญก็ไม่มีเอาเช่นอะไรบ้างเราไปเอาเงินดอกเบีย้ยมาจากธนาคารเราถูกสอนว่าไอ้นี่มันบาปนะอย่าเอาเงินคารอมเข้าบ้านนะแล้วก็ไปเอาขนเงินามาอ่ะสักล้านหนึ่งโอ้โหพี่น้องสดายก็สดาย เดินไปเบิกก่อนเหนืออยู่แล้วพี่น้องผลบุญไม่มีนะเข้าไปเบิกเงินดอกเบี้ยที่ธนาคารนะพี่น้องแล้วก็เอามาให้ใครก็คนหนึ่งพี่น้องไม่ได้โฆษณาเลยนะนี่อย่าบอกว่าเงินฉันนะอย่าบอกว่านี่เงินเงินดอกเบี้ยนะเอาไปเลยฉันให้ให้ให้อะไรนะให้อะไรให้เฉยๆพี่น้องนี่การทําแบบนี้ผลบุญมีไหมผลบุบนไม่มีรางวัลมีไหมไม่มีบาปไหมพี่น้องมันก็ไม่บาป嘛แต่ว่าต้องการที่จะทําให้หมด ออกเจ้ตัวของเรานี่ไงไปรับเงินดอกเบีย้ยของเราที่ธนาคารไปน้องเอามาแล้วก็ให้คนนั้นคนนั้นคนนั้นไอ้ตอนให้นะ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ผลบุญไม่มีเนี่ยความอธิบ า, ายให้ไปนน้องฟังง่ายๆที่ทำพวกเราไม่ทำไปน้องพวกเราไม่เอาอยู่แล้วเงินดอกเบีย้ยก็ไม่เอามาจากธนาคารข้อที่หกมันก็จะยุให้ทำของที่ไม่มีประโยชน์เลยไปน้องเช่นนั่งคุยกันคุยกัน ดูละครกันอะไรกันไปน้องนี่ไงเสียเวลาไปวันวันึ่งไปน้องบางทีสองสามชั่วโมงมันเดี๋ยวก็รุนละไม่ได้พูดเรื่องของดีๆเข้าหูเลยไปน้องนั่งคุยกันนินทาคนนั้นว่าคนนี้ไปน้องนี่ไงเป็นหน้าที่ของใครนะของชายต้อนเนียนชายตอนมันทําหน้าที่แบบนี้แล้วพอมันทำได้มันก็ตบมืออัดฮัมคาเจ้าแจ๋อจริงๆทําคนนี้สําเร็จแล้ว ข้อที่หนึ่งไม่ผ่านข้อที่2ข้อที่สองไม่ผ่านข้อที่3ไม่ผ่านข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6กพี่น้องอย่างน้อยก็ให้มันทำอะไรักอย่างหนึ่งพี่น้องถึงไม่มีประโยชน์ก็ขอให้มันทําก่แล้วกันนี่เป็นหน้าที่ของฉัยต่อน้องก็มาดูกณุณอานในย่าที่18บแว่ล้ก็จะกระดับเลยนั่งมีความรี ฟ้ากฟ้ก <mentor> <ide> ็น่นาคอัลลอฮอายะห์เดียวกับพอพไปน้องไงว่ละก็จะการซาบัลละีนมิกลับลีห์มฟ้ากฟ้ก็น่นาคิว่ละก็จะการซาบะละก็แปลว่าโดยแน่นอนยิ่งก็แปลว่าโดยแน่นอนยิ่งไปน้องอ่านก็อ่านทรู้ความหมายบ้างนดดีนะ วัละก็ดละโตแน่นอนยิ่งกันซาบาแปลว่าเขาโกหกกันซาบาแปลว่าเขาโกหกอัลลีนะบรรดาผู้ผู้ซึ่งหรือบรรดาผู้ที่มิงกอบลีหิมก่อนหน้าพวกเขาหมายถึงประชาชนที่มาก่อนหน้าพวกเราวันนี้นะพี่น้อง เช่นคนในสมัยนบีมูซาคนไหนสมัยนบีนัวคนไหนคนมาในสมัยนบีอิบราฮิมคนมาในสมัยนบียูซุฟคนประชาชนที่มาก่อนหน้าพวกเราทั้งหมดพี่น้องครับคนเหล่านั้นบางกลุ่มที่ปฏิเสธกลดซาบแปลว่าอะไร น, นะก็หกไม่เชื่อว่าอย่างคนในสมัยนบีนัว ไม่เชื่อว่านาบีนวัวเป็นนบีของอัลลอฮ์เขาก็ทําตัวอีกอย่างหนึ่งต่อต้านนาบีนวัวเป็นน้องเอาคนในสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสลามใครเป็น้องที่ต่อต้านนาบีมูซานักใครฟาโ ร, ฟ, าโรฟิร์โอนใช่ไหมใช่ฟาโรมันก็ทําหน้าที่ของมันมันก็ฆ่าคนฆ่าเด็กเดกผู้ชายหมดเลยฆ่าเป็นน้องมันสังฆ่าหมดเลยนะเป็นน้องแล้วก็กดขี่ประชาชน แล้วอัลลอ์เนี่ยเมตตาส่งนบีมูซามาแล้วก็มาอัลลอฮ์พี่น้องนบีก็มาเชิญชวนสู่คนให้รู้จักอัลลอ์ให้รู้จักอิสลามพี่น้องครับสอนกันไปทะเลาะ ก, กันอะไรการมีปัญหาขัดแย้งกันผลสุดท้ายฟาโร่จมน้ำตายนบีมูซาไม่ตายคนที่เชื่อนบีมูซามีประมาณสัหกจแสนคน คนที่ไม่เชื่อน บ, บีมูซานมีเป็นล้านเป็น้องครับและฟาโร์เนี่ยจมน้มตายต้องการจะเล่าให้พวกเราฟังว่าคนที่มาก่อนหน้าพวกเขาเหล่านั้นหรือคนที่มาก่อนหน้าพวกเราวันนี้ที่เขาทรยศต่ออัลลอฮ์เนี่ยฝาไฟฟกฝากานานากีดังนั้นการลงโทษของฉันนั้นสาสมเพียงใด กาฟ้าแปลว่าเพียงใดหรืออย่างใดกาณ น, นกิตแปลว่าสะสมพี่น้องครับฉะนั้นมุสลิมเนี่ยจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์อต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ว่าคนที่มาก่อนหน้าเราที่ไม่เอาศาสนาพวกเราเอาศาสนาใช่ไหมเราเนี่ยคุมทิยาเหมือนที่นบีสั่งให้ภรรยาขอนาบีคุมพวกเราแต่งตัวเหมือนภรรยาขอนาบีพี่น้อง เราเนี่ยน้ามาดเหมือนท่านนาบีเราอาบน้ำนาห ม, มาดเหมือนท่านนาบีเราคิดความคิดของเราก็เหมือนท่านนาบีพี่น้องการปฏิบัติศาสนาเนี่พี่น้องการเนี่ยการสแสดงเนี่ยการจะก้าวจะเดินจะเข้าหนอง ง, องน้ําเนี่ยเราเดินตามใครพี่น้องเดินตามนาบีมุฮัมมัดหมดเลยนะอา้าวจะเข้าห้องน้ําพี่น้องทําไงเอาเท้าอะไรเข้าก่อนนะเท้าซ้าย เมื่อก่อนนี่ไม่ได้คิดเท่าไหร่หรอกเท่าไหนก็ได้มันซ้วมบ้านราเห็นไหมลนะ่ะแต่พอไปเรียนศาสนาพอเรียนเกินโอ้ไม่ใช่เนี่ยเพราะชัยตอนถามถามอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะาที่อัลลอฮ์สร้างจนมาอยู่บนโลกใบนี้นะที่อยู่ของฉันเนี่ยอยู่ที่ไหนที่อยู่ของฉันเน่อยู่ที่ไหน เราบอกว่าที่อยู่ของพวกเองก็อยู่ในส้วมอะแค่นั้นที่อยู่ของใชต้ตอนในอยู่ในส้วมดีน้องแค่นั้นในเวลาเราจะเข้าส้วมดีน้องต้องนึกนะนี่ที่เราสร้างส้วมนะราคาบางคนเป็นล้านนะมีเฟอร์นิเจอร์เต็มไปหมดใน ห, ห้องห้องห้องน้ําห้องส้วมมันเราไปน้องอย่างดีนะอะไรปูนก็อย่างดีกระจกก็อย่างดีไปน้อง ที่ปูพื้นเนี่ยอย่างดีราคาหมดเป็นล้านนะ่ะนั่นสร้างให้ใครอยู่นะไซต์ตอนอยู่นีถ้าเห็นไซต์ตอนพวกเราไม่สร้างเรสวมนะนี่อัลลอฮ์ไม่ให้เราเห็นเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์นายพี่น้องทีนี้พอจะเข้าห้องน้าต้องนึกเอ้ยนี่มันบ้านไซต์ตอนเนี่ยไซต์ตอนมันต้องขอบคุณเรานะเราอุตสร้างอย่างดีเลยมันหน้าตาของเราด้วย ส้วมนะมันหน้าเป็นหน้าตาของเรานะแขกไปใครมาพอเข้าบ้านเราไปเจอส้วมสะอาดส้วมดีใส่ ม, มาบ้านนี้โอ้ขนาดส้วมมันยังทําสะอาดแล้วห้องนอนมันกูจะแจวหน้าดูเลยพี่น้องทำที่อยู่ให้ใช้ตอนทําอย่างที่ดีเลยพี่น้องบางคนไปอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องน้าก็มีเดินตามใครพี่น้องมันเดียเดินตามนาบีครับเดินตาม ยาฮูดีตะวันตกอ่าพี่น้องเพราะเข้ามาในรูปแบบที่ดีพี่น้องเราเลยเออฟอลโล่ฟอลโล่ฟอลโล่เราเป็นแฟนคลับแฟนคลับของใครแฟนคลับของพวกศัตรูของอัลลอฺุฮานาหูวะตาแล้วพี่น้องที่อยู่ใช้ตอนอยู่ที่ไหนนะอยู่ในห้องน้ำไปไหมพี่น้องแล้วมาลายิก้าไม่เข้ามาลายิก้าไม่เข้าห้องน้าพี่น้อง S 1> <S 1> ฉะนั้นเมื่อเราเป็นมุมินเราเป็นมุสลิมจะเข้าบ้านใช้ตอนเราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องขอว่างี้ um wal อัาลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกะมินัลคุบูสีวลอบะอีซีโออัลลอ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์นะให้พ้นจากการอะไรนะใช้ตอนตัวผู้และตัวเมียที่อยู่ในห้องน้ำ ทีนี้พอมันอยู่ในห้องน้ำํำพอเรออาอ่านดูอาบท น, นี้ปั๊บก่อนเข้าเรออาอ่านก่อนแล้วเข้าด้วยเท้าซ้ายพี่น้องครับใช้ตอนนั้นมองไม่เห็นเราเลยตอนเราเนก็ตตอนเราแก้ผ้าเปลือยกายพี่น้องใช้ตอนมองไม่เห็นเอาล้อให้ปิดตามันเลยใครเล่าให้ฟังนบีเล่าให้เราฟังขอบคุณนล้อไอเรื่องลับๆแบบนี้พี่น้องมหาเวลาสอนไม่ได้ ไม่มีอาจารย์คนไหนรู้ถ้าไม่อา่านฮะดิษไม่รู้พี่น้องต้องรักความรู้ที่มาผ่านนาบีเท่านั้นเองที่เล่าเรื่องความลับไปอยู่ในครอบครัวเราพี่น้องพีน้องรู้ไหมชัตอนเนี่ยนะถ้าหากเราไม่อ่านดูอาเข้าห้องนา้ารู้ไหมมันเห็นทุกส่วนอ ว, วัยวะเราหมดเลยแล้วมันหัวเราะกันมันตบมือกันอะไรกันพี่น้องเอ้แล้วก็จะหาก เรานี่ยนะเดินเดินไปล้มในห้องน้ํามีกับตายกับตายใครแกล้งอีกพี่น้องพอลมภาพไซต์ตอนแกล้งต่อไปพี่น้องครับแล้วก็มีไหมที่คนในล้มในห้องน้ําแล้วรอดชีวิตนะ่ะส่วนใหญ่ 9% กอร์ซ์ถึงร้อยเปอร์เซนตายในห้องน้ำมาหมดแล้วครับพี่น้องพี่น้องนึกภาพนะตายอยู่กับไซตตอนกับตายอยู่ใกล้ามาลายก้าอันไหนจะดีกว่ากัน พี่น้องที่นั่งอยู่ในมัจลิสนี้ทุกคนพูดเหมือนกันว่าตายอยู่กับมาลาอิกะดีกว่าตายอยู่กับชัยตอนนไม่มีใครเอาสักคนหนึ่งแต่พี่น้องครับโอกาสที่จะล้มในห้องน้ําก็มีนะท่า น, นต้องขอดูอาต่อรอก่อนเข้าห้องน้ําด็คนโตมา่าคุณแม่ก็แก่โตแก่แก่คุณยายอายุเยอะๆพี่น้องเข้าห้องน้ําบางทีโตก็ลืมบางทีม่เราก็ลืมพี่น้อง บางทีลูกเราเองก็ลืมตัวเราเองบางทีเราก็ลืมพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องนึกตลอดเวลานะจะข้าห้องน้าเอเอบ้านเฉยตอนพันเฉยตอนพันชายตอนทำงานต้องมายืนก่อนยืนก่อนตั้งสติก่อนอ่านดูอาก่อนเท่าไหนข่ า, าวสายต้องนึกครับพี่นอ้องต้งหลายนี่คืออิสลามครับพี่น้องอิสลามมามาแลบมาเป็นเครื่องบําบัดนะพี่น้องมาชี้ทางนาให้กับเราพี่น้อง ใครไม่เอาอิสลามได้ไหมได้แต่ถูกลงโทษหมดแล้วถูกลงโทษแล้วนะ่ะจบไหมล่ะอย่างฟาโร่เนี่ยเปน้องต่อต้านนาบีมูซาถูกลงโทษในทะเลแดงตายหมดถามว่าตายแล้วจบไหมไม่จบตายแล้วไม่จบพี่น้องถ้าตายจบก็จบนะพี่น้องที่ตายแล้วไม่ไมจบรู้ได้ไงว่าตายแล้วไม่จบ อาศัยอัานคุณอ่านกุณอ่านสอนเราครับผมอ่านให้พี่น้องฟังนะครับว่ามันอ้าราตออันริกรีฟาอินนัลลาหูมาอิชัดันตองกะว่านับชูรุหูยาวมันกี่อามากอละลิมา حشار ตันีอามาว่าจะคุณตุบัซีรอโกละอัตตะกะยาตุนาฟานาซีตะ ว่กะดาหรกระเลวมาตุนเซนี่อายนี่อธิบายเรื่องตายแล้วไม่จบอธิบายอย่างนี้ครับว่ามันอาราบอกอันดิคีใครที่หันหลังให้กับอิสลามใครที่หันหลังให้กับอัลกุรอานใครที่หันหลังให้กับสุนัขข่านนบีมุฮัมมัดพี่น้องฟาอินน่ละหูมาอิชตันดองกาชีวิตการเป็นอยู่ของเขาบนโลกใบนี้ ขับแคบอึดอัดหาทางออกของชีวิตไม่รอดหาทางออกไม่ได้พี่น้องเพราะว่าทางออกของชีวิตพวกเราพี่น้องอยู่ในคัมภีร์คุรานถ้ามาอยู่ตรงนั้น่ะใครมีปัญหาอะไรเปิดกุรานดูพี่น้องอัลลอฮฺอัลลอฮฺชี้นาไปหมดเลยยกยกตัวอย่างง่ายๆสามีภรรยาทะเลาะกันเอาเรื่องในครอบครัวก่อน สามีกัภรรยาทะเลาะ ก, กันไปน้องสามีที่เข้าใจศาสนากับภรรยาที่เข้าใจศาสนาอยู่โดยกันมีทางออกสบายมากครับเอ้าทางออกสำหรับผู้ชายภรรยาบนบนนุ่นบนนี่บ น, บ น, บ น, บนจุกจิกจุกจิกอะก็ากําแต่สามีคเครียด น, นึกถึงทางออกอ่าทางออกก็คือไซดีนา อุมัตรดิยละหวันหูเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นคนรักของท่านนาบีัยนาอะไรนะัยนาอุมัตรดิยละหวันเป็นคอลิฟาคนที่สองของอิสลามนาบีบอกว่าัยนาอุมัตเนี่ยมีอยู่มันสิบคนเป็นชาวสวรรค์ดูสิคนชาวสวรรค์เนี่ยเขาอยู่ใกล้กับนบีเนี่ยเขามีภรรยาเนี่ยเวลามีปัญหาครอบครัวเขาให้ทางออกสำหรับชีวิตยังไงท่านบอกอย่างนี้ ภรยาฉันนะบางทีบ่นฉันว่าฉันบ้างฉันให้อภัยหมดเลยแล้วก็ยิ้มด้วยเพราะภรยาฉันทำความดีสี่อย่างฉันไม่ลืมและภูราตุสิอย่างก็ทังมันอยู่แล้วไปเนอะแต่ผู้ชายลืมอ่ะแต่ไซนาหูมัดไม่ลืมท่านบอกว่าใครต้องการจะให้บ้านมีความสุขนึกถึงฉันเลฉันก็ได้ความรู้มาจากนาบีเนี่ยนบีสอนฉัน สี่ข้อมีอะไรบ้างหนึ่งภรรยาจะแน่ยคลอดลูกให้กับฉันลูกของฉันนามสกุลฉันข้อที่สองเลี้ยงลูกแทนฉันอ๋อโลยิ่งใหญ่อันที่สามหุงอาหารให้ฉันทานนะอันที่สี่ไปน้องซักเสื้อผ้าให้ฉันใส่ถึงจะมีสี่เกี่ยวห้าเกี่ยวก็ไม่มีปัญหาภรรยาเลี้ยงให้นะพี่น้องแค่สี่ข้อเองไปน้องเสนาอุมรรคบัก ฉันให้ภรรยาฉันบน่นฉันว่างว่าฉันบ้างตำหนิฉันว่างฉันไม่ไม่เคยโกรธภรรยาเลยนี่ทางออกหรือยังพี่น้องนี่ทางออกแล้วพี่น้อ ง, ง, ออะองฉะนั้นยึดแนวทางของอิสลามที่ผ่านอัลลอฮ์ผ่านปูรานผ่านนบีหรือแม้กระทั่งผ่านซอบ้านนบีเอาไปแก้ปัญหาของตัวเองพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นคนที่ฉลาดพี่น้องครับเขาเรียนอิสลาม เพราะอิสลามมีทางออกสําหรับชีวิตเยอะไปหมดไปนองฉะนั้นเรามองสิคนในเมืองไทยเราเนี่ยทําไมฆ่าตัวตายกันเยอะอาเช่นมีอยู่ครอบครัวเมื่อสักเดือนที่แล้วเมอ่านหนังสือพิมพ์มีสามีพี่น้องมีพ่อมีเพ่มีภรรยามีลูกฆ่าภรรยาก่อนฆ่าลูกแล้วก็ฆ่าตัวเองตายตายทำไมทั้งสี่คนห้าคนธุรกิจก็มีบ้านก็มีรถก็มี เวลามีปัญหาอึดอัดแก้ไม่ออกไพี่นอ้องเพราะอะไรครับเพราะทางมีออกแต่ไม่เคยเปิดกุรานดูไม่เคยฟังวาสศน า, ศ า, ศาอิสลามเนี่ยให้ทางออกสำหรับชีวิตไปยังไงเขาปฏิเสธฉะนั้นว่ามันอา้าเราบอกรีสครีใครที่หันหลังให้กับคำสอนของอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านนาบีเนี่ยเราจะให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเขาอึดอัดมต่อมากับ อึดอัดบนดุนยาฆ่าตัวตายแล้วนะมาอยู่อึดอัดในกุโบคําว่าบองการเนี่ยอึดอัดสามโลกนะอึดอัดบนดุนยาแก้ไม่แก้ปัญหาไม่ออกฆ่ากันตายด่ากันตายทะเลาะ ก, กันยิงกันสารพัดพี่น้องพอตายแล้วจบไ ม, ไม่จบนอนอยู่ในกูโบถูกลงโทษสิ ค, ครวงแบบนี้ครับแผ่นดินมันบีบบางคนว่าฉันไม่ได้ฝังฉันเผากูโบ จะอยู่ตรงไหนก็ตามวิญญาณของท่านอยู่ที่อัลลัมบันซักถูกลงโทษแบบนี้ครับเอาสิโคงมาประสานกันใช่ไหมเพี่น้องนี่อัลลอ์เล่านังกำพีกุอ่านนะใครไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาแต่ตายรู้สึกโอ้โหสิโคงเจ็บจะตายไปอยาอลี้นึกได้อยากจะมาเป็นมุสลิมอัลลอ์ให้เกิดมาเป็นมุสลิมไหมเวลาตายแล้วไฟื้นไม่มีไหมไม่มี ขอร้องอัลลอฮ์ให้ฟื้นมาฉันจะรับอิสลามแหละฉันจะเอาอิสลามที่อัลลอฮ์สอนผ่านนบีเนี่ยมามามาใช้ในชีวิตอัลลอฮ์ไม่ให้ครับพอฟืนนฟ้นขึ้นมาวันนะซูลูฮูยะฮุมานติยามาติอามาฟื้นขึ้นมาตาบอดพอฟื้นจากสูสารพี่น้องมองอะไรไม่เห็นตาบอดถามอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ้กอนตายฉันตาดีพอตายฟื้นขึ้นมาตาบอดทําไมอัลลอฮ์ตอบเลยครับ เราเนี่ยให้คำมพีร์กุรหานมาให้ทางนํามาให้วิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตของคุณมาคุณลืมคุณไม่ได้สนใจคุณตั้งใจทิ้งไปเอาวัฒนธรรมความคิดแนวทางอื่นๆที่คุณแก้เองค่าเมียตายค่าลูกตายคุณบาปเท่าไหร่วันนี้คุณก็ต้องตาบอดตาบอดตอนฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพแล้วก็เดินปฏิทุงมาชาติพี่น้อง อยู่ที่นู้นน่ยอยู่ที่แถวแถวแที่อาหรบับีเนี่ยอีกกี่วันเดินจะถึงพี่น้องครับตาบอดน่ะแล้วก็เดินนะครับเดินฟังเสียงมาลายการเรียกมาทางนี้อันนี้ก็เดินตามเฮ้ยขอจับหน่อยลําบากมากครับพี่น้องพอไปถึงทุ่งมาชาัดปั๊บที่เขารวมตัวกันอัลลอฮ์ให้ตาดีเวลาเห็นปั๊บเห็นนรกก่อนเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะนั่นที่อยู่ของฉันเลยเนี่ยให้ไหมพี่น้อง นี่ไชีวิตเป็นอย่างนี้พี่น้องเลยถ้าเราไม่เอาอิสลามมาเป็นทางนำสําหรับชีวิตของเราพี่น้องครับอิสลามไม่ได้บังคับให้คนรับอิสลามนะไม่ได้บังคับเลยแต่อัลลอฮ์ให้สติปัญญามาเขาเรียกว่าฟรีทิ i n k i n g ความคิดอิสระแต่คนฉลาดขอบคุณอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงเขาให้เขามารับอลัอ ล, อ, ล, อ, ลอิสลามที่สันติชนที่มั่ง น, นี้หลายคนทำได้เลยล ะ, ล ะ, ล ะ, ละขอบคุณอัลลอฮ์ท่านมีทางออกสําหรับชีวิตแล้ว ท่านไม่ตัน้นะครับพี่นอรทรายคุณอนานอายที่สิบแปดนะครับว่าแล้ก็เดกซาบัลลาลีนามิงกอบลิฮิมฟะไกฟะกานานกีรและโดนแน น, นยิ่งบรรดาคนที่มาก่อนหน้าพวกเขาได้กล่าวว่าเราซูลทั้งหลายนั่งโกหกนบีมูซาก็พูดโกหกนบีบรอฮีมสอนโกหก นบีที่มาก่อนฉันไม่เชื่อนบีแม้แต่นบีมุฮัมมัดเองวันนี้คนที่ไม่เชื่อมุฮัมมัดมีเยอะไหมเยอะมากเลยแล้วเป็นยังไงครับคนที่ไม่เชื่อนบีรุ่นก่อนๆนั้นอัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นการลงโทษของฉันสาสมเพียงใดไปน้องไปน้องเคยไปเที่ยวเดดซีไหมเคยพาโมอัลลาหไปเที่ยวเ ด, ดซียังมอลาไปทําอุ้มร้องหนระือ ไปเที่ยวเดซีพี่น้องตรงนั้นเนี่ยคนไทยกลับมาเขียนบทความมาหนังสือพิมพ์คุ้มเคยอ่านพูดว่าเอาเก้าอี้ไปวางไว้และไปนั่งบนเก้าอี้ที่เดซีเนี่ยเก้าอี้ไม่จมน้มได้แค่นี้ได้แค่เรื่องเดียวแต่เบื้องหลังที่อลัลลอให้เดซีมาพาะเมืองนั้นเป็นเมืองที่ผู้คนนี่ทำจินากันพี่น้อง ผู้ชายกับผู้ชายเข้าหากันโพลิคอร์มอเซ็กชวลน่ะพี่น้องผู้หญิงกับผู้หญิงเข้าหากันผู้ชายกับผู้ชายเข้าหากันพี่น้องไม่ผ่านผู้หญิงไม่ผ่านผู้ชายแล้วพี่น้องอัลลอฮฺเมตตาก่อนจะลงโทษส่งนบีลูตมาสอนก่อนไม่มีใครเชื่อสักคนนึ่งพี่น้องภรรยานบีลูตเองก็ไม่เอานบีลูตพี่น้องอัลลอฮฺลงโทษให้เป็นเดซีปัจจุบันนี้ที่ครับพี่น้องตัวล สึนามิสึนามิที่บันแล้วเนี่ยพี่น้องที่เขาหลักเนี่ยกับภูกเกต็ตในพี่น้องนั่นเป็นสั ญ, ญลักษณ์เหมือนกับเดซีเหมือนกันในพี่น้องนะเราได้รับข้อมูลอะไรบ้างสิ่งที่ได้รับแน่ๆก็คืออัลลอฮ์ลงโทษคนที่ไม่เอาศาสนาไม่เอาคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลงโทษให้พวกเรายุคเดาได้เห็นได้ขอคิดเยอะที่ผลจะไปภูกเกต็ตในเย็นนี้เนี่ยจะไปภูกเกต็ต คนนึกวิกฤตคนึกทุกทีอัลลอฮฺเดชซีบัญชาเดซีแต่เซิลมิเซนลมิซิล ม, มิพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับบวลาไปตรงนั้นแล้วต้องขอบคุณอัลลอฮฺอยาอัลลอฮฺอย่าลงโทษฉันนะที่ฉันยุตต้องมายืนอยู่ที่เซนามิอย่าให้อย่ายให้อาจาบมาเป็นครั้งที่สองพี่นออ้องขออุทต่อเราฉะนั้นเป็นห่วงลูกหลานพี่น้องเ อ, อ้ยให้ลูกเรามีาศาสนาเยอะๆพี่น้องให้ลูกอ่านกุรานให้เป็น เราอ่านกูณอ่านให้ได้พี่น้องถ้าต้องการจะให้ลูกเรียนเรียนแพทย์อ่าวันนี้เรามีโครงการกันนะถ้าจะให้ลูกเรียนแพทย์ต้องท่องจํากูณอ่านนะอย่างน้อยสิบยุดไม่ใช่สิบยุดสิบซูเล้อถึงยี่สิบซูล้อถ้าจบเล่มยิ่งดีใหญ่พี่น้องคนจะเรียนแพทย์พี่น้องถ้าอ่านกูณอ่านเก่งท่องจํากูณอ่านพี่น้องอัลลอฮฺวะัลลอฮเรียนแพทย์ง่ายมากเลยเพราะว่าท่องจำคูณอ่านพี่น้อง อย่าลืมว่ากุณอ่านเป็นชีฟาเป็นยารักษาโรคกุณอานเป็นฮูดาเป็นทางนำคุณอ่านเป็นนูดเป็นรัศมีกุณอ่านเป็นคอยรุนเป็นความดีอันมากมายสิบกว่ารายการกุณอ่านที่อัลลอฮฺให้ผ่านกุณอ่านเยอะไปหมดฉะนั้นคนที่อ่านกุณอานสม่ําเสมอท่องจําอัลกุรอานพี่น้องชายตอนไม่เข้าไปอยู่ใกล้กับคนที่อ่านอัลกุรอานพี่น้องอยากให้ชายตอนหนีออกจากบ้านท่านไหม หรืออยากให้ใชาตตอนอยู่ในบ้านท่านเยอะๆไม่มีใครให้ใชาตตอนอยู่ในบ้านเวธีก็คืออ่านอัลกุรอานในครอบครัวพีฉพ่อจะยิ่งสุราบากรออัลิฟลามีต้องอ่านให้จาทุก ว, วันนะแล้วก็ตามด้วยอายะกุลสีอัลลอฮูาละอิละฮ์อิละหุวาลฮยุลกุยูมจบแล้วก็อีกสองอายะสุดท้ายของสุราบากรอ آمَنَ الرسولُ َُّ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ و َ ك ُ ت ُ ب ِ ه ِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا و ص َ ع َ ل ่า م ك َ سب ต์วَาเล م ยมาคท ب َ์รับ ل นาลาทัวร ن น้าอินนซีน้า ا ุอัคร์น้าร ع َ ل َ ن ا ลาถามล์อ م ลเล على อิ ن รงก้า ب า ن ا ر ب ن หَ ل ا ت ح ์ดِน้ ا รَ ا บนา ل ล ا ถَม ا ์น้าม ن ا าอัลِัต ا าณบีว่ อันทาม า, านาฟันซุรนัลลกมิลกับิริอันเยอะๆพี่น้องทุกวันที่อยู่ในครอบครัวท่านอะไรหนีใช่ตอนหนีหมดอะไรเข้ามาอยู่แทนมาลาอิกาบ้านที่มีมาลาอิกาสังเกตนะสามีภรรยาไม่ทะเลาะกัน บ้านที่มีมาลากามีบรรยากาศเยอะๆพี่น้องลูกก็ไม่ค่อยดือ้อบ้านที่มีมาลากาพี่น้องนั่งกินอาหารพร้อมๆกันลูกสามีภรรยานั่งกันแล้วบ้านที่มีบรรยากาศสังเกตนะสามีจะชมภรรยาเธอนี่สวยนะภรรยาก็ยิ้ม thank you ค่ะพี่น้องขอบคุณ บ้านที่มีศาสนาบ้านที่มีอีหมานเวลาภรรยาแต่งตัวสวยๆภรรยาก็ยิม้มเออรอแล้วก็ภรรยาทำอาหารอร่อยอร่อยมาวางพอทานแล้วเออรออาหารวันนี้อร่อยมากขอบคุณครับดีมากเลยมีแต่เสียงอัลฮัมยุลิลลามีแต่เสียงขอบคุณเสียงด่าไม่มีเสียงตําหนิเสียงนินทาว่าได้กันไม่มีบ้านที่มีศาสนาบ้านที่มีอิมานนะครับพี่ น, อน้องทุกท่าย พี่น้องครับกุรานอายาที่สิบแปดอายาที่สิบเก้าหมดหมดเวลาอ่ยังแล้ววันนี้หมดเวลายัางหมดแล้วใช่ไหมอีกอายาหนึ่งไหมอ้าวครับ <S <S <S <S อวลาดยาเราอวลยเราอิลปตอยรฟาห์กะฮุมซาฟาติฮุวายกบิด ไม่ยุ่มซิคุณนั่นอิลล์อัล ل อฮ์มานอินน้าฮุบิคุลชัยอิมบาซิยุรอวัลลัมยาราวอิลล์ไตรฟะฮุกฮุมซาฟัติวายะบิดน์ม่ยุ่มซิคุณนันอิลล์มาน อินนุบุคุลิชัยอิมบัซซิร์ทำดีเล่าเ <ير> พี่น้องข้อานี้สอนให้เรานึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นึกยังไงให้ดูอะไรให้ดูนกอัลลอฮ์สอนให้เรามองดูนกนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอ AH. ัลละฮ์บ ب า ا ن ه แวะตร์าลาใครทำได้บ้างอย่างกับนกเนี่พี่น้อง อดูคําแปลอวัลัมยะเราพวกเขาไม่ได้มองดูอวัลลัมยะเราพวกเขาไม่ได้สังเกตไม่ได้มองดูอีลาตอยดินกอืมตอยตอยแปลว่านกพี่น้องฝาวกอมุมอยู่ บนศีรษะของท่านอยู่ข้างบนเคยแงนดูไหมล่ะพวกเขาไม่ได้มองดูนกเบื้องบนของพวกเขาดอกหรือเคยสังเกตมองดูนกไหมที่มันบินอยู่เหนือศีรษะท่านเนี่ยเลาลอไปน้องเห็น <He 's S 2> ยัางแค่เนีย่ยเอาเราสอนให้เรามองดูนกแต่เราก็มากไม่เคยมองดูนกเท่าไหร่ี่น้องเอ้ามองใช่ไปน้องตั้งแต่วันนี้ไปมองดูนกบ้างนะ ที่มันบินอยู่นะพี่น้องเป็นยังไงครับซอฟตินมันกลางมันกลางปีกแบบนี้พี่น้องหัวยักกร บ, บิ่ตนะแล้วมันก็ ห, บหบกกกกุบหุบปีกกลางปีกแล้วก็หุบปีกอัลลอ์ให้มาให้เรามองให้สังเกตมีอยู่สองท่ากลางปีกกับหุบปีกได้ข้อคิดอะไร เห็นยังครับในอิสลามนะคัมภีร์กุรอานสอนให้เรามองดูนกให้มองนกอยู่สองท่าท่านายท่ากลางปีกกับท่าหุบ ป, ปีกอ่าไปน้องได้อะไรสักเกตยดอย่างเงี้ยครับเพียงไรอะไรที่ไม่อยู่ข้างบนหัวเราไปน้องกับของหนักๆเนี่ยนะมันจะร่วงลงมาใช่หรือไม่ใช่ท่านไปน้องขึ้นไปอยู่ในอาคารเนี่ยชั้นที่สี่ของตึกอันยูมันเนี่ย ลองเอาหินยกลงมาจากข้างบนนะ่ะร่วงถึงพื้นไหมถึงมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอะ่ะวันนั้นอะ่ะก็โดดตึกลงมารอดไหมตายมีรถอยู่คันหนึ่งขับยังไงไม่รู้ออกว่าตกไปชั้นข้างบนทั้งรถทั้งคนตายไปน้องอะไรที่อยู่ข้างบนร่วงลงมาตายหมดแต่ทําไมานกของหนักอยู่ข้างบนไม่ร่วงลงมาเพราะอะไร กลางปีไอ้กลางเนี่ยพอจะนึกออกลมมันปะทะเอาไว้ไอ้ตอนหู ป, ปีก็ทำไมไม่ร่วงลงมาเลยรไปนอ้องอัลลอฮ์สอนเนี่ยเรามองให้เราคิดอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ Allah สอนต่อไปอีกมายุมซีคูฮนะอิลลรหมานตอนที่มันบินตอนที่มันหู ป, ปีไม่มีผู้ใดรั้งมันไว้ให้ร่อนอยู่ในเวหา ไม่มีใครจับมันไว้หรือร่อนมันไว้นอกจากใครนะนอกจากพระผู้ทรงปราณีก็คือสิ่ัตอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงจัดให้นกเนี่ยบินกลางปีไม่ตกพระหู ป, ปีมันต้องร่วงใช่ไหมนี่มันไม่ร่วงเพราะอะไรเห็นไหมด้ยวยความเมตตาของใครของอัลลอฮ์สุบฮานาหูอตาลาเห็นไหมนี่เป็นอะไรนะเป็นความเมตตาของอนะัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สอนในนบีหมัดบอสอนพวกเราว่า ให้เงันดูนกบ้างเง้นดูทองฟ้าบ้างแล้วก็พวกฝรั่งมันเอาลอยให้ฉลาดน่มันเอาระบบการการบินของนกอะ ไ, ไปน้องเอาไปทำเป็นเครื่องอะไรเครื่องบินเห็น ไ, ไหมมีนักบินอยู่คนนะเป็นมุสลิมออกทีวีท m t v มทวี TV, ชื่อฮย د ي อิลยัสเอาลอยไปน้อง เป็นนักเป็นเป็นคนขับเครื่องบินไปน้องท่านให้สัมภาษณ์มาว่านั่งอยู่บนเครื่องบินเน่ะปลอดภัยกว่ารถอีกปลอดภัยกว่านั่งบนรถอีกไปน้องนั่งอยู่บนเครื่องบินเนี่ยปลอดภัยที่สุดไปน้อง ม, มันไม่ใช่ตกกันงา่ายๆหรอกทำโดยลิ่นล่ายไปน้องทําไม่ได้ไปน้องไปทำพัดทําอุ้มรถเออมั่นใจหนอยอยากจะไปทําอุ้มรถล้วปลอดภัยในการนั่งบนเครื่องบินไปน้องเลย เอาะไรไปน้องนั่นเป็นข้อเตือนใจทั้งหมดนะให้เราดูนกอ่าทีนี้ไอ้เรื่องนกไปน้องมีอยู่สองสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเวลาพี่น้องออกไปหารีสกีของอัลลอฮ์เนี่ยให้นึกถึงนกให้นึกถึงนกเอานกเป็นอย่างงี้เราเนี่มีออฟฟิศใช่ไหมมีออฟฟิศนะนกมีออฟฟิศไหมไม่มี เวลามันออกจากรังตอนเช้าเชาเนี่ยมันตะวักขันเลยนะฉันมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ที่ออกไปหารีสกีของอัลลอฮ์มีนกตัวไหนบ้างหารีสกีไม่มีแล้วตายมีไหมไม่มีครับพี่น้องมีจะกลับมาตอนเย็นเหนือท้องอิม่มแล้วก็ยังเอาเก็บไว้บางส่วนแต่แถวคอมันเอาออกมาให้ลูกไว้กินอีกใครทําพี่น้องความเมตตาของอัลลอฮ์ใช่ไหมพี่น้องแค่นั้น พี่น้องมุสลิมทําไมต้องเครียดดื่มเหล้สกีนกไม่เคยเครียดดื่มงรล้สกีพี่น้องครับออกบินหาอาหารตอนเช้าเนี่ยพอตอนเย็นจะกลับมาอิ่มทุกตัวตอนเช้าเนี่ยหิวพอตอนเย็นอิ่มใครเลี้ยงครับเราเนะี่ยปัญญากว่ามีออฟฟิศก็มีนุ่นก็มีนี่ก็มีพวกก็มีเพื่อนก็ ม, ก ม, กมีความรู้ก็จบปริญญาตรีบป็นคนปริญญาโทเป็นคนด็ตรยังกลัวตายอีกเลยพี่น้องแสดงว่า ถ้าเรากรวปตาแสดงว่านกดีกว่าเราเพราะนกมันตะวะกันแต่ Allah มันไม่เคยทะเลาะกันเรื่องอำนาจเรื่องตำแหน่งเรื่องการเมืองไม่ทะเลาะกันเลย Allah พี่น้อง a l ล a ัมำุยู่แล้วแต่อย่าอยู่เหมือนนกนกในเวลามันจะร่วมกันมันไม่มันไม่มีนิกะเราอย่าเอาแบบนก ถ้าจะนิกายต้องนึกถึงแบบของใครนบีมุฮัมมัดอย่านึกแบบนกเพราะนกมันไม่มีวาลีนกไม่มีนิกายนกไม่มีอลัลลอฮ์มันมันนึกมันก็ผสมสู่กันคนทำงี้ได้ไหมไม่ได้นี่ไงข้อแตกต่างระหว่างเรากับนกเยอะครับพี่น้องแต่นิกายการนั้นต้องสู่ขอกันอะไรการนั้มันถูกต้องตามที่ท่านนาบีสอนเอาครับพี่น้องตกลงว่า หแหงนดูนกนะหมายถึงความสามารถอันยิ่งใหญ่ของอัลลอ์นะมองดูนกนกออกจากรังไปหาฤากีของอัลลอ์กลับมาอิ่มทุกวันนะครับแต่อย่าอยู่นิก้ากันแบบนกไม่ได้เราต้องนิก้าตามหลกักการอิสลามที่อัลลอฮ์ส่งมาผ่านนาบีมุฮัมมัดสุลตามูสลัมวัคสุดท้ายอินนฮูบิคุลิชัยอิมบาซีแท้จริง พระองค์ทรงมองเห็นทุกสิ่งโดยไม่ต้องใช้สายตาเป็นสื่อห้ามอย่าลืมเลพี่น้องตัวนี้เป็นสิ่งประดหนึ่งของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องหลายอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์รู้มีคนถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนพี่น้องตอบได้ยังอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังของอัลลอฮ์บัลลังอยู่ที่ไหนอยู่บนชานฟ้านี่เป็นอักดีดาที่ถูกต้องพี่น้อง แล้วก็มีอีกบางคนอธิบายแบบนี้อัลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกแห่งอันนี้เป็นความเชื่ออีกกลุมล่มหนึ่งมไม่ใช่กลุ่มซาลาฟีไม่ใช่กลุ่มอะลีสุนนะบันจามะไม่ใช่กลุ่มซาลับเนี่ยอธิบายว่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังบัลลังของอัลลอฮ์อยู่บนชานฟ้าแต่อีกกลุ่มหนึ่งพูดว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกแห่งอัลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกแห่งอธิบายอย่างนี้อัลลอฮ์อยู่บนบัลลังบัลลังอยู่บนชานฟ้าแต่ความรู้ของพระองค์นั้นอยู่ทุกหนทุกแห่ง อัลลอฮ์ทรงเห็นทุกหนทุกแห่งอั ru, ลลอฮ์ทรงรู้ทุกหนทุกแค่สามรายการพอพี่น้องนะอัลลอฮ์ทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินทุกหนทุกแห่งที่เรานั่งอยู่วันนี้พี่น้องการนีน่อัลลอฮ์เห็นไหมเห็นได้ยินเสียงที่เราพูดไหมรู้พี่น้องนึกอะไรอัลลอฮ์รู้ได้ยินเห็นอัลลอฮ์แล้วก็รู้หมดพี่น้องทั้งหลายแล้วก็วันนี้จะมีประชาชนนี่มานั่งฟังศาสนาวันนี้นะนี่เป็นกฎ กฎกรบก็ได้ที่อัลลอฮ์วางไว้ไม่ใช่มาด้วยความบังเอิญไปน้องกำหนดไว้แล้ว่ะวันที่วันนี้วันที่หกที่ห้าวันที่หกนะว่าจะมีประชาวชวนมานั่งฟังติดตึกอันยูมานเนี่ยสามรอยคนกำหนดไว้แล้วมันก็มาสามร้อยคนเต็มเลยห้ามดูเรลายไปนอนตั้งหลายนี่พระกำหนดของอัลลอ์สุบฮานะหัวอะเครียดทำไมไปน้อง ทำให้ดีที่สุดตามที่อัลลอ์สั่งนะครับเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานูตะลาใช่ครับทีมั้มคนนี้ซุลแลัลลอฮ์อัลลอฮิมักอัลกินะอัลกินะัลกินะอัลกินะอัลกินะักินะอัลกินะอัลกินอัินะอัลกินะอัลกิะอัลินะอัลกินะอัลกินะอัลกินอัลกินะอัลกินะอัลกิะอัลินะอัลกินะอัลกินะอัลกินะอัลกินอักินะอัลกินะอัลกินะอัลกิน พระพุทธองคเสด็จสัมฤูกต่อการต่อร้าจริงกา ชุเราก็สิบล้านห้าหมื่นบานะขอที่ภาคที่าครัให้เราได้มาพบกันจะด้วยกับคร่วมพูดดีที่เกิดกสถานที่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ตอนนี้เราคิดว่าที่นี้ผมรับเอางาหน้าของผมัก็คือเปมีโอกาสได้เรียนที่ต่างประเทศหลังจากที่จบกลับแล้วหน้าที่ของผมก็คือตามมานำออกแห แล้วก็ท่านก็มีบอกว่ามีที่ที่จะทำอะไรนี่และนี่ก็มาพูดแทนว่คือมาเป็นการที่มันจะเช็คเนี่ยเพราะอะไรว่ามันชีวิตของเราเราจะให้บอกว่าะไรหลายคนมาให้ความคิดแลหลายคนก็อาจจะบอกว่าคนนมีคนมาชว ไปทำไปทำให้เป so <laughs> <laughs> totally oh, no. no. so uh, ็นยายไะได้ยินชื่อเราด้วนะแต่ไปือบงทีเราได้ยชื่อคนกระจายน้ว่าอะไรนะเอาไปดูดีๆนะหรืก็าทีบอกไปยังงั้นสือจะไม่สามารี่เราจะรู้อะไรบะฐานเงินสูงมาแล้วฐานละหมาดเต็มแล้วมันเป็นเรื่องที่อาจจะบอกว่าเอ่อนี่คือความคิดของคนวิ่อาจจะต่างกัน แต่ถ้าเาไปดูฝั่งประเทศนะตอนนี้ที่มาแกตกันเชียงรายประเทศมาเลเซียเวลมีคนปัญญาที่ฟังมนหน้าสีไม่ได้เห็นเลยมีทุกคนคนที่ฟังบรรณาเป็นหมื่นนะมีห้องปฏิิการจากสนามกีนาก็เป็นถามว่าทำไมคนัคนนั้นถ้าเคนฟังเยอะมีาะวุ้นเยอะมากที่ตอนนี้กลังการยที่มเลเีย ดีๆเอ้าไายังไงทำไมคนเนีเยอะเจรจาประเทศไทยทำไมคุณบรรยายคนฟังที่จะบอกว่าก็คนพูดเพิ่มที่ตัวเองพราะคนพูดพูดไปมีคนฟังแบบนี้เจรจาไปให้ที่แล้วจ็บอกว่าให้ารยังไงคนฟีเยอะมามาแต่สุดท้ายยังบอกว่าวิถีชีวิตของผมวันที่ผม่เหมอจะปัดแล้วก็ิ่มจะัาเองใหม่คือว่า ถ้าเป็นปัญญาการงานฉาผ ม, มนัก ท, ที่ไปท่านก็ได้ไื่ผมเม่็เข้าเชิง น, นะอันนี้คุยกันฟก่อนอ น, นะครับเพราะเราไม่ได้มีจัดแต่งเพื่เกิดการตนหน้าหลายคนนะถามว่าอะไรแต่ที่ไม่ใจจช่ปัญญาปัญาฉ า, น า, า, านนวนีอะไรเป็นปัญงางานราก็คือเข้ามาเพื่อจะดืนมชาเข้ามาพ่อจะ้อของเสร็จ้วเขาก็เลยรัดปากทำงานไปจะเข้าเรื่องเียรามาอุ้มูกเดินกลับ ต่าไอ้ชุดใหม่มาแล้วไปขึ้เนเรือนแล้วคนใหม่มาต่อไปเ่อยเรื่อาทีันกนะ็ชดสองามนาทีไป่ยเรื่อยลูกไปไม่หเหมือนะว่ า, าการบรารในศาสนะขาของเราันนี้เนี่ยม่ได้ใควา ม, มสัเท่าไหร่ื่อทีเลยแนะนำเมื่อศรรงเมือนที่จัดงานวนะ่าถ้าจะจัดงานเราก็ต้องจดบรรยายออกเอาเบญในรงเรค่นที่เด็นี้ครบร้อยคนโบราณหมดลย เรกปกครองกมื่อไ่ได้ดีใจเดี่ยวๆเขาไปกได้เลยครับได้ชื่นเมตุนิเขาก็จะมีความสุขถายรูปเสมอเพื่อเป็นแง่ใหม่เรื่อที่สาบอกว่าจัดงานเปลี่ยนใหม่ก็หลจัดให้เราแฝง้องให้เลิกพูดเลยอาจจะซีดงินเดน่ขึ้นคีเนื้อ่ากบ้าก็งดมีก็ใรที่บ้านยังมีคนดูอันนี้คือเราเห็นมา้เราก็บอกว่าอยู่ว่าเราจะเปลี่ยนหรื่เปี่ยนผมก็ได้บอกว่า ชีวิตว <anto album cat fish> ัน so, น so ี้ถ้าไปสอนหังสือแบบเป็นปตามแผนของไปที่วันเารผมว่าที่เอยมตอนถช้าตอนที่สายสี่โมงก็อบบนี้ตอนเยนก็สามารถแล้วก็วันอาทิตย์สอนทั้งแปดงั้งสีทุถ้าจะเือถุงก็คือวันธรรดาอยู่ที่เมเพราะาที่สอนทั้งแปดโมงตั้ี่ทุ่มหายวกาทำไมไ่มีความสุขกับการที่จะมีกับคนที่เป็นที่หม่กว่า ถ, นนนนถ้าท่โตใหญ่คือยัไงเ้าก็อ่านจุดลตัวตราเรายอะไรประกานี่คนนี้คนนี้ไม่ต้องรบกวนใครไหมหาว่าไ่ถน้าก็อ่านไมนได้ยังคนที่ถนดก็อ่านบินไนดะคนที่ไม่ได้ให้เง่อนก่นแล้วก็มันตัวเองหมดเองถนาดได้หรไม่ได้า่าใครเปนคนจัสีเข้าถนัดได้หรือไ่ เ่ น, น, นี่เราก็บอกว่าเราจะทการซือ้อหนของท่านเราซื้อเงินรอสหรมราซื้หน้าของท่านเราซื้อทั้งไหมีสีดปีแล้วก็มาบข้าวอันวาคนนที่บรินอะไรสลัีที่ท่านตัว่ยจกนี้ถามว่าท่านเออมาดีเราว่าครบครวเรา่ครับเออที่พพบริษัทตทั้งหน้าน <travelers> วันนี้ถามว่าเราเอ่านี้อา่านทำมเราจะตรวจเลเซอร์กรรเด็กเ็สมันก่อนนะสิบกสิขหาถามว่านี้เราตรวจเราเป็นเจ้าตัวนี้ยแล้วตัดตัวนี้หรือเปล่าท น, นี้ที่บอกว่าถ้าเราไม่เด่กเวลาไมตัวจเองเราไม่ลงตัวเขา้ามาพันเองนี่สำคัญเนี่ยพานักเป็นที่วโมงเวลาเยอะนแ่เราพานักเป็นวานก่อน วันนี้ทีบเรยนโมงวิสุทธิเขานใ้ผู้ิงนาทีเขาลองให้ผู้หินึ่งทีทีนั้นก็จะรู้ว่าวันนี้เนี่ยในวัน24ชั่วโมงเนยถ้าให้เวลาสาวมทีหนึ่งที่คุยกับคนเป็นนักเลื่อนนกเันักืกี่วันนี้ในงวันน24ชั่วโมง ท่านให้เวลาแต่ปรมากี่นาีผมะทาชั่วโมงนะวันนีี่สิชั่วโมงท่านเอามาสุฮีกี่นาทีขณะเอาลมากับคนอายุห้าสิบขึ้นไปเนี่ช้าวาจะตึ้โมงนะแต่วถ่าับบคนแบบอายุหาสิบสี่ชิบเดินทางลมหแแล้วก็ในมนแแ่เวลห้าสิบนาทีท่านในตัวละมาพิพีกัเรมอัอนนะ ลองอดูหน้าเราไปชิบเวลาดูเลยนุ้ปนี่กะหมายไม่หดูว่าสอบเกินานาทีรียระดับไปสิบนาทีออกอัศินสทีเมื่อไ็้วให้ลาสิสิาทจะหมดสิบวันลม่ใหลาเจ้ัพ สวั้งหมดักี่าทวโงเนี่ยจากอัลลอฮม่วานนีสบสี่ชั่ว ja, โมงนะ่านให้อลกี่ทีห้าสิบเว่ม่เหมือนถ้าเวลาแค่หนึ่งช่วโมงละอีกยี่สบามชั่วโมงจะไหนยีสิามชั่วโมงะไหนเราต้งมาคต่อสิบามชั่วโมงตั้งเอาแปดชวโงเหรอเถามเาวเราตื่นห้าสิบนอนนแปชั่วโมงง กว่าจะหลับหลับไปได้รู้สึกเสียงทันิดเล้กก็ตื่นเยอะตื่หน้ากว่จะหลับขึ้นนั่้า้ยอนแปเนี่ยให้ทานยาดิแปหรือให้ินังสือแปดเนี่ยนะท่านดูน้เรียนแปดนอนแเป็นสิหกริ่มมาหนึ่งชั่วโมงขึ้นนั่นะครับสิอาหาหนึ่งชั่วโมงสิแปให้กินข้าวหนึ่งชั่วโมง1ิก้าถ้าให้อา อ่านหสือไปถึงช er, <go> ั่วโมอะไรยี่สิบสามานสีัโงที่เหลือเทนั้นเฮ้ยถ้รับเป็นชั่วโมกคนอนถ้ารับเป็นนาทีก็เลยถ้ารับเป็นยี่นาทีนะมาหาศาลเลยนเว่าสี่ชั่วโมงหายที่ไหนอัลลอฮฺจึงให้ระดีรู้บอกระดีก็ถ่ายทอนซอฮาบอกที่เป็นคาพูดที่พูดว่าหาซิบูอัฟิซติบกบาลันูฮาสบุ จนตัวสอบัวของพวกนั้นก่อนที่จะถูกตรวจเนี่ยถึงมาลองสอบสวนในถ้ำศพได้วาสีอ่ะถ้าเช็คดูแล้นี้เราเจอว่าวันนี้เยวันนี้เนเราายไปก่4ชั่วโมงแล้วทุกวันมันจะ4ชั่โง4ชั่มง4ชั่โมงและตั้งขว่ามนเป็นดินข้อหาหมูอะไรแล้วต้องลองอะไรนะสอบสวนนถ้งศพไปไปจะหลังไปแล้วก็เลย นอนแล้วน no ่นเอม่านตอวันเล่นที่จะหลับนะฉันเช็คกับพว่ามบสอนวากอนที่ท่านจะนอนนะเนี่ยก่นี่ท่าล็กตัวนอนนะนี่ยทานั่งแลยท้าไแบบนั่งตัวแล้วยดท้านะเี่พื่อที่จะล็กตัวลงนอนนะถ้าสมมติที่นังอตอนนี้ทขามีสมุดแดที่อยู่ใช่ไหมล่ะจะิ้ปเยราต้งือมนอย่างเี้้ทำให้ีเลยกันเช็ค วันนี Finanz, ้เหมายคุกห้รางานหคุวันนีบทสัมปานไหมไหมวนอ่ากฎหาหมมีไหาหมายาดีไหมดีมากทความดีไหมทำตัวโกงหมแคความดีก่อนไหเอาใจโดยีขวา้แล้วก็เราทาทั้งหายดีเป <to> ็นเศรษฐีนะไม่มีโรจากนั้นไรทําห้ความชื่อมืนี้คุยถึงเ่อผมาเลยว่านี้ไปทางานเวลาทางานแอบคิดโทรศัพท์ เรื <c ười> <c ười> á, á, 8, 10, ่องลายก็เร่นเช็ก็ทเช็คดูแเสร็จแล้วอันน้เป็นมหานี่ยไม่ใชเป็นมหาเนี่ยเพราะว่าทำไงอยู่ก็ต้องมวลายแล้วไอ้แต่เราผมเมืาสอนนสื่อนมื่อกี้ตรัสสามาลักกับนิพุนท์เท่าไผมก็มาทำลายศาสนนอยู่ถ้ารับร้บอกเาวลานะรู้ว่าเป็นตัวรัสส์ของหลานที่รองสองคนนี่มาจากอินโดนีเซียเบอร์จากอินโดนเสียก็ควรก แล้วกลับไปหมดเจโมงแต่เพิ่งมปถ้ารผมก็มีเวลาของารปสองมีอยงนี้เพื่ออะไรไม่รบกวนแลถ้าเคิด่นี้เราเป็นความรู้สึกว่าเราต้องรักษาเราเบียดรากดระิกตาแล้วันนี้คือว่งผูหรือป่าที่นี่มันเป็นปรผมไม่ทำไงก็เสี่ตรงนั้นนะเวลาที่ทงานนี้เราอยกเข้าเซ็นจเวลาเซ็น เขาเซ็น de ียนาดก็อย่างนั้นวนแรกวันแกตั้หกโมงตีหกโมงต่อมตีหกโมงสามนาทีผมไปวันแกมเซ็นต้เจ็ดมงสามสิบือหกเหือหกสิบคนก็อารเจ็ดโงสามสิบแล้วคนต่อไปเส็นเทไหร่สามสิบเ็ดสามสองแล้วที่สี่สิบเอ็มันจะเซ็นเท่าไหร่นก็เิันที่แปดโงพระเกินอยู่แล้วที่เมื่อการหลังจะทำอย่างนี้นะเรากำลังทำอย่ ไอ้คนที่ไหนีเอซ็นไม่ได้เขาบอกว่าทำไงอาจารย์เขาเซ็นเรียเข้าไปผมก็ือ่นแล้วก็มองนีกงท่าที่ว่าโกงทำไมแล้วาอีกครู่นั้นอลาดูโกงแล้วถาหายวิจัยจะโกงนะก็ทั้งประเทศเลยเนี่ยก็ถึงบอกว่าแี่แค่เซ็นชื่อมาได้ที่พูดก่อนนั้นแต่ยังไมได้เขาแสดงแล้วสะแกหน้าเลยโกงไม่ได้เพราะนั่นเป็เรินชาติเป็นเรียนเงนะดีที่ หนึ่งนาทีมออกมาแตะโมงตื่นหนึ่งทอ่ะสายมาเ้างก็สายแตะมงนนาทีก็สายเราต้องบอกว่าทำไงมาทำงนี้ไมได้ายม่ปีแกนก็ต้องไปชอบไปไปสายหนึ่งีวันนี้ผมกว่าถ้าเราตรวจสอบก่อนนะอันนี้คือปเด็นีรยแล้วตรวจสอบก่อนอย่าไปมองว่าเป็นสิ่งใหม่เป็นสื่เดี๋ยวไปมองว่านาจะที่เป็นก้อนแล้เป็นสิ่งพัน อีรุ่นท้าตตามเาวันนี้เนี่วันุู้เนี่ยให้ปฏิบัติได้เยอะกว่ากันเพราะเราใช้ในความเรียอะไรกมีนะฮความสซอเลยครับเป็นรู้ในควาที่จทอะไรอ่ามาทลส์ซอครับต้องมีทีแลวก็ต้องมีครับปฏิบัติ มนคกศลีรท่าดพนัยยุทไม่ขาดินัยทนอ่นเองกามมีดอนเลยครัวันนี้ถ า, <À, S 1> ามาคนเกิดคนนอกบุญมาลงมานุ่มันนี้อยู่นั่นเนี่ยขอให้ยอมมาไม่ได้บอกคนน้นอกไยอนรกไหแต่คนทำยังกว่าจะหนุนด้วยมนเข้าสว์นี่เขามีศรัทธาว่าเขามีปฏิบัติว่วันนี้เราอจะรูว่าคนเขทํางไงที่จะดูต่างก้ในสาตาเ่อน แตเลาที่มีเสียนาก็เกิาราหยุดงานแล้วก็ทำงานล้วงมแต่บที่เุสูงแต่ส็จวได้ินเสียงานก็ยนะเดี๋ยวก็แที่มาใหม่ทิชานะชินหนักดึกดึกดึกตห่ลมนรลยาจะดคุยไปมาเลยกลับ้านับมาซุโมงนี่เมื่อคืนไม่ได้สมัทิชาเนี่ยเนี่ยบอกว่า วันนี้ท hmm. hey, ่านเปอยู่ในสภาพไหนให้เราทุกคนถามคำถางน้อยด้วยกับคำว่าอันคำดุริยางีไ่ใช่คนรี้นกกรเมืองสัพพะสุทวิ์หรือไม่นัการเมืองัะสุทธิ์น็นเาตอกกับดูเหมืนเนี่เราต้อดูปวัติศาสตร์วันนี้ถามาประวัติศาสตร์นี่ยอันนั้นเราม่เพื่ออะไรเนี่ยเรื่อีคถามพวกถามเด็กที่มีเด็กตอบไม่ได้มามมาตอบไม่ได้มาเชื่ไม่ได้คือเราไม่ถูก ถามวันระดีมีสิบ้าเด็กก็บอกวันระดีมีสิบห้าข้างวันระีกลางวันหือเปล่าเด็กก็มีสิบห้าข้าง้ตำวจี่้ีสิห้า้าอันนี้เด็กแ้ก็ถ้าไเรายานสารานี่ข้เด็กก็บอกว่าตอนนี้คุณชองมาบอกที่สิบห้าหรือี่สิบ้า นวีีนี้ชนะท่านหมายความว่าที่เป็นเราซูเน่ายคนเรารู้เนี่ย25ท่านแบบชื่ออะไรอยู่ที่ไหนสวัสดาาให้ฟังนพันอะไรประจานได้หมดเนาะส่วนนี้แต่ในี่้หมายว่าถ้าถามเราก่อท่านที่ว่าชีวิตของเราชีว้ตท่านไหนเนี่ยท่านคิดว่าท่านฟังแล้วรู้สึกรู้สึกว่าท่านทางานศาสนาหนักจริง เราซูดให้ไหนที่เพือนคประวัติของเขาแล้รู้สึกว่าหน้าเราเป็นแหนะเราซูดให้ไหนที่ฟังแล้วได้มีความรู้สึกว่าเขาเพ่เพี้นเราแล้วเราจะ้าเป็นแหนอย่างนี้วันนี้ผมจะควคุคนสีค่คนสามนาทีถ้ามีบุคคลที่ถือว่าเป็นแหนอย่างสาหรับเราขอบคุเท่านเราเป็นท่านแร แ่านจะซีนเข้ามหม่แเจอใหม่ถ้าไม่มาก็่เจอนะหรือว่าท่านบอกว่าที่ผ่านนี้เรามีสิทธิ์ที่ไปทีเดีเลยนะท่านจะบอกผมนะพอเคยดูบรรยายทีแล้วก็โทรการับไม่ไเลยบอกว่าที่ไหนไม่ต้องสองน้องมาแล้วนะถามทาไมให้ผมไปพูดเรืองทีาเรื่องพูดกับคนที่คุณาแลวท่านที่ว่าผมซีเเพราะอะไรนะทีบผมก็บอกคนให้มีทิธีารรมนั่นแหละตามบ้านไปที่ทย คนเราเป็นความผิดใครวะทั้งต่อไปนี้ต่อสองน้องคนนี้มานะมันไปไม่เลี้ยงเลยศาสนาไม่เลี้ยงเลยนะเพราะเขาบว่าคนเป็นมุสลิมใหม่คุพิยาได้สวยมากะแต่คนที่เป็นมุสศิมเล่าค่อนข้างใเลยนะที่เฉยก็อันนี้คือความดที่เราบอกว่าศาสนาคือศาสนาเรื่องประเพณีปอิบัตก็เป็นประเพณีปฏิบัติแต่ทระองข้อตัดสินมันเป็นข้อตัดสิน สีบุคคลต่อี้แบบที่เ่นข้าแล้วก็ให้เป็นข้อคิดก่อนนะครับว่านามาดูตรงนี้คนแม่บิดาของเราบิดาของมิสเสอร์ชาติทคืนับอาตมาเลหิศระถ้าาอาตมาลหิศระนี่อะไรที่เป็นตัวสังขละข้าไปดูดีนะไปตรวจสุราไม่ได้ดูสีหัว อ้น at at ajo, ี้ยที่มีสิทเกี่งคชอบอะไรก็เป็นแบบัวเนะสร้ามาไอ้นะสร้างมาได้ด้นยสิทธิ์ของเราจได้นแค่ไอ้เียที่สิธิเกี่ยงตอนนี้ตอน้เอนีอาการที่ผมสรุให้ท่านฟังคที่มาของการทำอะไรก็ตู้บ้าเกิดจากตรงนี้ที่บอกว่าตู้บ้านู้บ้านะไแปลว่าอะไรเราตูบานอะไร มาจากเรื่องของลูกของเมื่องทีอาดามก็คือกองีตรหามสองเป็นสัญาณที่เกิดขึ้นหน้าวันนี้และเป็นอาตีที่เจ็ดตัวที่สุดรสัยแล้วก็ที่จะบอกว่าเป็นสิทาของื่กงุญงาที่็ดตัวที่สุดหน้านี้คือครบหญอะไรก็ผหญิงผมเนี่แล้ว่งลผู้หญิงมาดีนะอาจารย์ใะไรเขบอกเนี่นเรที่ พี่แล้วที่นั่งฟังแต่ในไทยนึกยังไงมันเข้าสว่างไปไหมหร้อไงดีก็่ก็ถามอ่ะไม่ใช่ปฏิเสธคบพูดของสูไม่ใชปฏิเสธความดของท่านอดีตมหาวิทยาลัยวารินธรนะแต่อาจารย์จะไปยุ่งกับโลกแต่แล้วแต่คนที่ฟังมันจะดีแล้วที่นั่งอยู่ที่นั่นทำอะไรเข้าสว่างหรืบไงสอนานังก็ไปสอนก่อยถ่านไปยันบมดเองค่เพียง เจดีตั้รียอย่างน้หเรเอาลยไม่ใชจะบอกผู้ไทยเขาไม่ได้บอกูชายเขาสมัคนะแต่เห็นคนบอกผู้หญิงลงในโลกนั่หกว่ามันมีเหตุผลอยู่ไม่ใช่คนเรียวลงในโลกอ่าผอยนี่ด้ีอาดงเรื่องของไทยลูกสองคนชื่อตอพีกับฮานีเป็นที่น้องการในทางจีนมน 2. สองคนค่ากานพวกเพราะความสวยของที่ สาในอายะไรงนี้อ่านไปดูแค่จบประมาณเจ็ดอะครับยี่สิบเจี่บย่าสามสิบสามด้วยกันนห้าอาะสองสมสห้าี่สิบเจสามิเจ็ดไปู้็คือะไรครับจะเป็นที่ไปที่มาของเรื่องของอะไรการฆ่ากัตายแล้วเป็นที่มาที่เราลอให้ีกาสองตัวไีอันนานะแลที่มาของการฝันห้าห้หลยเรื่องทีน เรากำลังดูเอกสารที่ถือซึ่งขอการกำจุพิพิธภัณฑ์เลยที่เป็นภาทีสิาานคงมีมั้แต่ถ้าหาาภาษาหลังนี้ยางเลยนะครับของอาจาย์เนี่ยขอที่ดูแบบนี้อ่รนภาษาอีกได้ก็เหือแต่ตอนนี้มันคือนะรครับประเด็นอยู่ตรงว่าทาไมที่บอกว่าลูกของโนบีอาดัมสองคนเปนพ่อกัมันต้งเป็นพ่อได้ัในานเราเป็นผู้ปกครอง กระเด็นุตรงที่กส่ว่าท่านทำยาวแไปก่อนในยุคของมนุษย์เลยมันมีอาดัมมีปัญญาชีพหาอามีสองคนสาัานะ่อ้เ่งจงานว่าเอาตรนี้เป็นอยู่ว่าแต่เราให้เมืนอทีอาดัมามหน้าอาวธไม่มีาเลือกเกิดจนกระทั่งังคนีลูกเนี่ยนะอาวุหนาอาวุดอยู่ทคน ที่คนไม่อีอะไรรเล่าไม่้กหกทำอะไร่คนผมจะบอกคือผมไม่อายนะผมมาในจุดตอนน่้นมาเจกระแทกควาสุดนนี้นะผมจะไปย่อูรเบียดดาวมารีนี่ก่อน ลูเนผมมานังสือใหมตหลัหลักเจป็นคนปัญญานี้เ่กวอากี่คนูาีกคนตกกี่คนกี่คนฮะ พนักงานาาาตั้งคันตำรวจ21คัน21คนันแล้วแต่ละคันจะมีคู่แฝดแฝก็คือชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง20ท้องแฝดก็คือจะเป็น4คน40 40กว่า40จะมันเมีนคู่ครองหนึ่งเพื่อจะมาทดแทนเพรพาะกรณีปัญหาดิ้นเนี่ย สองคนไม่ยอมากัในสิที nice ่เอาม่ไม่มีอาดามผู้เป็นพ่อบอกว่าให้สลับพี่กหสนับน้องคู่ของเขาคือโกบีเนี่ยเป็นพี่นะท่านเจ้าโก้เนี่ยก็อวดตัวหาก้คือโกบีวิธีจำบางทีคนเราพหาพี่ใคระี่ันเอามาท่านก็ริบตากกูก็อยูตัวหาเนี่ยขาเนพี่หาน้องหาตัวใหญ่ก้หา กอบีเป็นพี่ฮาบีเป็นัมเป็นน้องคู่กองกอบีน่สวยชื่อิสตินมาไอส่วนคู่กันน้องพี่คู่กับฮาบีชื่อลิมูซาสวยน้อยกว่าง่ายสุดๆแล้วแหะกอบีกับฮาบีเอาว่าสองคู่อะไรนะถ้าต้องยึดจากกฎหมายตามาลู่ไยเวลาเป็นนายกพีก็เป็กฎหมายปีนี้แล่ะ คนหมายมาอุ้นท่านผมกับพีอาดำเจอท่นอเขาก็เอครับอ่ะด้ยากให้พี่กับน้องแต่งงานกันได้พราอัมพตมากบพอาดเหมือนกนวัที่พีอาดัอย่างพีมุฮัมมัดเขาชินกับพีอาดมตุกเอาไปดีกว่าเรายกันนี่เราถ้ว่าจะได้แต่งงานกนเพราะีอาดมหมดพวกและตาสีสิบเยยีพื่อนใครกันจ้ไปยไรแลยคือบอกเเป็นแข่งในยามมหามหเือท่านนี่แะตาไปหมเหมือนกับมาเทวะเราเรไปาเผือใช่ไ กบิบในเรือการเล้ยนกกนะครับเพราว่าบงทีเอาว่าในอากสลักผูกกพี่ๆเนี่ต้องไปแต่งกับน้อ้สาที่สวยน้อยกว่าฮานี่เป็นนองแต่นกับพี่ที่ชื่ออัลวินคิมาสวยที่ปหาคนจะได้อะไรก็คือใเงิรักแต่กบิบบอกหม่ใช้เ นาดูมากทั้งนทั้่าไลยนะวหนาเรื่องสวยเนี่ยผมเลยถามเด็เมื่อเน้นว่าถ้าสมมติถึงจริงเรามาสองคนขากระดานเนี่ยมองใครก่อนองถามเด็กมาพิ่บอกว่ามองขาก่อนอันศาสนาบอกพี่ดูศาสนาเลยอัน้เราดีกวาอันนั้นี้คือมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์แต่เาดูโลกนี้ก็น่าดีก็คือมนุษย์นี่แหละก็ที่คือโลกท้องแผ่นใหญ่มัจากที่นั่ อให้พ่อโมโแูวลาพอโเสรุ๊ทำไง่ชื่อชื่อมี่สองพ่อญสองนัไปทำกุลบานม่ก็าจะบอกว่าอีกก็รปทกุลานนั่มที่เขาบอกุบาเดียลยกุบานกุานน่กุบานก็คือนั้นั่งไปทำสิ่งที่เป็นการแสดงออกถึงที่จะทาคนเข้าใจคิดกับอำล้อสิอะไรก็แหละที่จะให้ต่อชิตกับมัอวิ ผู้เป็นี่นะทาการเกษตรปลูกข้าวคนน้องพี่เป็นเกษตรกรสกคัญแางเล่นแท่งเ่นแะนะของพี่ก็เป็นพี่หอมหอเล่นอย่างเดียไปเลือกข้าวที่เราทาข้าวต้องเป็นผิสีที่พี่แบบไอ้รวมกันทำแบบนั้นนี่ตีเม่นในตีมาเอามาตัดมาส่วนงานพี่ที่เป็นน้อไปเลือกแกะตัวให้วันพิจิตรเลยมาอ่ะและเป็นเรื่อก็เป็นที่มาของประเทศไทยโลกปัิบัที่ใะ ไอ้เช่อนะสิ้นวายเจ้าแต่ของเราตุ้มหานโยนตั้งแต่เด็กเาว่าสิ้นวายเจ้าจะเป็นการเอาเพาะอสา่ว่าไหนเรารู้อะไรจะละันเาเหมากันแล้วใครจะเชื่อฟังพ่อเหมกันพอพีนเอาข้าพีนีอันนี้ฮาดีเอาแกที่ว่าอัลลอินฟาตุกุกเบลาฮาดีมาวาเรปตับฟันนีนั่นออัลลอฮ์คนหนึ่งองคนหนึ่งก็รับองหฮาดีนั่นันฮาดีเป็นคนเรืงว่าเายนั้น ท่าน <lien> no э ี่เราตองทำอย่างไนที่พ่อาก็มีเ่อคนไม่ยอมใ้าณานิยมี่ะพี่ก็สามันก็รากหยียความโดดเ่นกันมเรานี่ยสามารถทไรนี่ได้น้องนะสามารถตายยกใครบ้ามานะไอคนที่อยู่ตรงกลางนะท่านพี่ข้างนอกเลยไอ้นี่ยคนกลางอนี้ทางมานะอ้นี้นอกมานะ ที่พ่อมแม่ไม่มผมเลย <c oughs> ที่มีเร า, ลาเลยเราดีมากเลขนาดตอนเป็น เ, เด็กไหมมี้วกหมาเนี่ยลูกก็ปปแค่ไทยที่มีฟุตบอเนี่ยยังไงเหมือนผมเนี่มันมีตาเราไปจะมองมาเดินดูทุกอย่าเลยเพร่ะนั้นของกองแบบ น, ดด น, นีของฟอง เ, เนี่ยยิ่เด็กอ่่จะแพงนะของสําหรับเสีระอะไรน่ะตัวหน้นหาหลเป็าตัวยืด้านมีสิ่งอื วางเร ar, ือเดนมัมีเรือลรนี่เอาปองอะไั่นเพื่อให้หมูตัวได้เวาชนี่เวลาที่สองนันให้บานึงกล้วแ่พามันยังไม่เก่าเวลาปองที่สามนี่มันมีรุ่นาคนไงมาื้อใหม่เลิกกันพราะที่สาราเปสุดท้ายแล้วเพราะไอ้นมันเก่าถ้ามันงคิดดูความรี้สกในคนกลาจะเสียใหมตได้ปน้องได้คนกางเนี่ย นี่เนี่ยคือความรู้สึกของคนว่าเราเป็นพ่อจะไม่ผ่านมือถทอาำถ้าจะซื้อก็ต้องมีขายที่ชุดนี้อันนี้ก็เหมือนกันกอบน่ลัสุดท้ายกอบวิ้นก็มีการคำ่าถ้าเหตุผลเดียวเกิดความสวยอันนี้แล้วทีนี้หลังจากนั้นก็จะมีการฆ่าน้เกิดขึ้นเมื่อมีการฆ่าเกิดขึ้นเราเรียนพระบารม เราก็เป็นโศกอกามาแล้วทำไม่กีการตีอ่ะเวลาตีกี่การจเหมือนตาให้นะไ่เป็นที่มาของการคุยทรายแล้วกันแหละครับเอาอีกาลงไปแล้วกิายกบเเป็นที่มาของเราอ่ะมุสลินตายเขาต้องทำอะไรฝังพิเตายเขาต้องอะไรฝังคนไม่มีปัญญาเข้เอาฝังที่เป็นที่มาของมันประวัติศาสตร์ของโลกได้แบบนีงอันนี้ ง้ช่วงแรกๆตุนส่วนนี้เราม่ว่านี่แหลข้ออ่านข้ออ่นถ้าเราอ่านเรื่องนไม่เราทำได้เลยคุณแต่ขอให้เราเีกน่าอ่านละเป็นพักก่อนแล้วกันดูความหมายอ่านไม่ได้ก็จะตห้กระจายเยอะๆลงวันละข้ออ่าน600ต่อเนี่ยปีหนึ่ง365วัน10ปีก็ได้ครับ 3,000 ต่อเนี่20ปีวันนี้เราพิลว่าเราขอะมา ขอฉันอ่านตัวอ่านจบพอรความหมายก่อนจะตายดีเถอสมมติตอนนี้เราคูยคุยยุติ้คุุติแล้วอะไรไม่ใช่สมมติคุยบอกว่าขออัลลอฮฺญาลลอขอให้ฉันไม่อ่านตัวอานเรื่องตั้งแต่นี้สมมติได้ความหมายขออ่านเวลาอัะก่อนฉันจะตายกอฉันไดความหมายกว่าตายขึ้นไม่ได้ล้วตอนนี้ยุติเกี่ยวกับการอ่านเอันาที่บุกพกว่าเนี่ อายุยืนได้20ปีขึ้นมาขอร้องามพ่อไม่ต้องมาย้อนขอขอแค่ยี่สิบเจ็ดสิบแิบ้าสิบี่ตอกมันก okay. hmm. well, ็บอกขอจงาแต่ก็บอกว่าตืนเต้นจริงจแต่ขอจังอาตจริงไ้ข้ถามอาจารย์ใหญ่ในตัวแทนหนึ่เห้าเหรียอเจารยขอหนห่ห้าหมื่นเห็กหน่อยหนุมผมยี่สิบเิดผมยี่สิบเิดกว่านี่ยแง้วมันเ็นหลายล้านหลานจะออกลูก เรื่องมไปไล้หรอถ้าอนองให้ยันหมายความว่าแต่ไม่นอนนะขอให้มีชีวิตแต่ประสบคาพสำเร็จนะใไหมามีขอใดเรื่มาดูทเรีน่หาหายเขาล่ะอันนั้นข้อใหม่วันนี้คบอกว่าถ้ามาอนมาหาว่าโอ้เราสอนให้อ่านอ่านแล้วรู้ความหมายโดยนะครับวันนั้นเนวันละทัทัดกันเลยแเราก็จะมีความสุขแลถ้าให้แค่อ่า่ารแล้วู้ความหมายน่ะ กันจะเป็นสิ่งที่มีความสุขจริงวันนี้ขอมาขอผมจะต้องไกรณกทัศนจะจบการศึกษานะแต่ไมต้องหรอกผมบอกแวใา่ไหมตอนนี้ผมต้องบอกว่เนี่อแไม่ต้องกล้เดือดแล้วเพราะเราแต่เราเหมาะสมแต่เราบอกว่าอยากการในสภาพที่เป็นคนท่จำที่มันตะการเชื่อไหมผมเคยขอนตาเดียวกมาวันทีระบบมาขอรูอ่ากลับมาเดยวก็ขอให้หาตามบอกว่เกิด คมีอะไรขอแต่ผมขอเพราะผมชอบอ่านหนังสอว่าคืรตหน้าเาตองนี้แหละมอเร์ไซรถกระโงกรตังหาก็ะตันแล้วเราจอดรกระต่ายห้เจอระฆังขึ้้คือรถสแสวเราเจอกระโงหน้ากรงข้ามสันคือรู้ตัวเราจอดรบใครเดงเจอรีมอร์ไซ์มันอู่ขาคือไม่มองไม่ร่อมเห็นไม่ยืนข้าอ่ข้างน่นหะนั่นแหละคือเรื่องมากสิงความชื่อที่มันอยู่ในในตัวเรา ถึงแเราคิดจะนับเป็นเหตว่าเป็นสักเหตุมันเล็นอร่จะทำให้เราไปมองเห็นสิ่งที่ไม่่เคยขอทีไหมแล้วเแก้มันยานที่มันสีารยหละปีนั้นเลือดออกตาเลยนะเป็นน้าตาเป็นเลือดเลยนะเวรายไม่ถึงไม่เห็นเลยนะไปเข้ปละหมาดขอวางห้ Allah นะยาจะชั่งอยากจะเล่าความใ้จำเขอให้ตาาบืกดีก่อน เคยขอเยอะข้าไม่ได้ขอพ่อ่ชที่นครมันเป็นง่าแค่แชที่ประเทศโซบี้เขาเคยนลาที่ของเขาอ่ะเขาเคยขอรอนายตาแต่ว่าพ่อไม่อยากเห็นสิ่งที่เป็นของมหาศิษย์แล้วในนนี้พวกเราจะบอกว่าเราไม่ไอยู่งนะเราต้องพยายามดูแรนะล็อกให้มันเงาเถอะที่เวลาผมได้ที่นี่เวนาเป็นตลาดก็ตลาดแต่ผมขอไม่ได้ถ้าผมเจอผีผมไม่เลื่อนขนาดก่อนนะถ้าใคจะบอกผมผีอะไรผมบอกไม่ได้ เราจะได้ไหมแต่ถ้าหน้าสนามผมบอกว่าเวลากุยผมไม่ไ้หูฟังด้วยเถอม่มอหน้าบางคนบอกคือมันดีไม่ดีเพราะวลาแม่ผมเหมือนความรู้สึกว่าอะไรนะสายตาสายตาคนมันจะมองไมเหมือนยังไงก็เลยบอกว่าเราต้องการมีแก้ไขมั้ยที่เจ้ิที่บอกว่าพ่อผมเคยต้องจากทนายแล้วผมกลัมาจากโซลี่เนี่ที่สนามสินจอนในเมืองฮงกอนะท่านเชื่อไหครับตอนนั้นต้องประมาณหหรือแปดชุดเหม่อนแหนี่ไปเจอปี ยู <SCP> ่กระชั yes ้นช <F> ่งเลยาท่องโบอาณเข้ามาภในรูปท like ี่พ่อเขาใสนาีนะหวานเี้ยงนะแต่ตอนแรกผมก็บอกว่าถ้าจะท่องโบรานต้องดูแรเด็ที่ท่องบราที่ดีโาณเป็นมุขแล้วก็นมุของไม่ใช่มุขของแต่ถ้าท่องศาสตร์ก็จะไเรี่ยวไเ่าอนนี้บอกว่าถ้าท่องโวราณได้เรียนมาให้เปอรูปแบบไม่ได้แบที่เราพูดนนเทศมันก็จะไปเหมอนกันอันนี้ที่บอกว่า ที่แรกที่เกิดขึ้นจากที่น้องสองคนก็อะไปครความสวยอันี้ของนาฬิคนนี้โอเคมั้ยฟังนะแล้โยคนที่สองมันจะเชื่อม่อนมีสามคนคนที่สองที่จะเป็นประวัติศาสและก้าให้ผู้บริหารู้สึกว่าคนเป็นคนที่กินชีสงแต่ศสามากที่สุดจะจะบอกในโลกนี้เนี่มนาฬิกาในฉลา ไม่มีใครคนยังศาสนาเพราะราคิดอะไรสินะเราคิดว่าอายุ9000ปีอราก็รกว่าราิดว่าอายุ1000ปีอาแค่10ในภาษาอัไทยอ่ะอัลลอฮฺบอกว่าเิมีอายุ1000ปีออกาแ0ก็เหลือ9000แบบรูปภาษาไทยเมื่อกี้นีาว่าสิ0ปีทำงานศาสนาแต่เสร็จกับงาน9000กับงานเรื่องเราตู่และเรงเรืะไคนมาพ enfin in ิจารณาอีกคนไม่เห็นเกีสิ เด็กิษย์ปรมาณ800คคือไม่ถึงร้อยคนนะ900เี่าเรา0ปีโตมาหนึ่งปีให้โตกว่ามากทำยังไงจริงๆหน้าันปีคนมากพิเศษไม่ถึงร้อยคนที่ต่อเอกสารทันแล้วเราสั่ขึ้นไปตกลงขึ้นไปนะวันเดือนไม่ใหถึงเท่าไหร่ครับรคนที่เจ็ดคนที่สุดคือใครใทยนาคานุสารฮางยาพิศผู้สารคนที่มาเราไปแฉม ห้าสามยาพิษแล้วกับเรียสี่คนที่มีขึ้นอยู่ะแล้วก็ที่เก็กว้านปรมานั้นคือว่าอายาดูดีแ่คบอกกวตามแวาสนาเลยนะต้องมีตะกูลขนาดบานที่เรกบอกควที่อยู่ข้างหลังเลยนะท่านนายาเห็นไหมวันนี้ชีวิตเราสความที่เยนี่าประสบความสุขเลยผู้ชายทุกคนนะบอกได้เลยว่าแม่บ้านทุกคนขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดแต่ถ้าไปถ่ายตัวขึหาถายแล้วมีคนข้างหลงานนะ ไม่ใช่เราไปดูจร่งคนที่ประสบคามสำเร็จอ้แม่ประสบามสำเร็จต้องให้แล้วเราไปดูผู้แสบแส่ละคนที่ประสบคามสำร็จเฉพาะตัวเราเนะต้องมีคนเียข้างก็มีภรนยาเดี๋ยวเขาอ่านไปนะแต่คนที่เป็นภรรยเสริมนะคนที่เป็นภรรงาอยาจะคอยปรคับประองเราแล้วคอยดูแลเรจริงไหมแต่ภรรยาผมมดีมั่เช่นนั้นกลับไปสอนลูกไปฮะข้ออมากเลย พ่อทีมาไมไ้ทำอะไรเลยสอนจะว่าสอนจะว่าสอนจะว่าไมเรียกศาสนาเราเล่าให้ใครทำใหู้กแล้วเสร็จแล้วที่สนคัญที่สุดก็คือนบีเมื่อไม่ไหวเนี่ยกับการที่จะถูกทดสบขออวยาจากอุลตร้ามิชชั่นที่เหลือเราเล่าก็ส่เหมือนกันคนว่าบ้าบ้าไปเนี่ะตอเรื่อตอเรื่องงานจะมีทายเนี่นะท่านที่เรเป็นคุณ้าคร่บอามุนที่อยู่นก็ต่อเรองงานที่โตโบ้านาเี่่จะมาอ้างไัวเป็นน้ แต่น่าี sol, you, your society, your so, time, world, strong, ้ยงมันดีากตลอดอันนั้ครับอันนั้น็นเะคีมากเนเ่าะอะไบอกลลูกบอกเนี่ยอย่างนั้นก็จริงเด้กชายทีอยู่บนยอดเขาเลยดี๋ยวุกทํามากเละสุดท้ายมันอยู่ไม่ได้ตอนที่จะต้มมันจะช่วยเอาลูกของหมดเลาหเข้าคุณคนละกไคนละผงไคนลอครับคนรคนละเออไรนบวกกันวันนี้พวกเขาตุ้น แต่คุณคือผ네ู้ศร so, well really ัทธาเพราะที่ผู้ว่าบอกนีจเองนนิยมของตะวีนวัตคุณสอให้รูว่าลูกจะดีจะทั่วอยู่ที่ไหนไม่แม่ในเยาวมานจิตที่แม่ในจะบอกว่าลูกจะดีจะทั่วอยู่ที่แม่อาจารย์มาดูตะวีทั่วอยู่ที่แม่แต่ตกลงตะวีน้องกับอาจารย์นะฮะได้ประเด็นเป็นย้วยตะวีน้องขึ้นเป็นตำแหน่งศาสนาเพื่อสังคม แต่ไม่ได้บอกว่าลืมครอบครัวแต่สุดท้ายคนที่ทให้มันเป็นโรประสาความเรีดส่วนนี้ก็มาแากใคคนที่เป็นแง่เนี่ยคนอะไรออเล่บอกครอบครัวอะไลือดขับอลูกว่าพรอบค่ัจะบอกชว่าให้เราสามีแันว่าคนนี้เราเป็นคนที่เอาเลือดขัไปนั่งคนหรือเปาหมอตามมีถานราระงาันงานราหวาเลืไปแต่ก็ดีที่สุดนะสามีจะงานทำจะี ไม่ดีก็ได้แทํดียถ้าเรียนนะก็ขายดีไงโอ้ยทำดีทำเหมือนตายล้วยทำงนเลยตายเลยเจ็บบ่อข้ามเลยเนี่ของผมเนี่ยผมเนี่ยวันจะไปลงโรองานก็หลุดซักเชื่อไม่ได้สามวันซักก็มีช่วยซักผาเสียบแล้วอะไนะปวดไม่ถูกอันไหนต่อนาอองนางเขาเลยจุดท้ายซักก็รีเื่อได้ต้อได้แต่เชื่อไม่ขาดเลยพะไม่เรียน เราต้องเรีนนะกกดไม่ถูกดไม่ไยูมันก็จะไปนี่คือบอกว่าถามว่าวันที่เราอยู่ในการแต่เราอยู่ถึงห้าแต่ลองจากกันดิแค่ไปอยู่โรงมสามวันที่ ถ, ถ, ถึงเลยะและ้วก็เราตายใช่ไหมนบีอิมบอกว่าผู้หญิงพัรยาบนใบกระตายพาคุณ ต, ตายนะเราสามมีคุณผู้ถึงคุณในทางที่ดีนะคุณคือชาวสวัส์แต่ถ้าพันยามันหายตายแลว้วพังก่ารู คนอยู่ประมาณว่าท้งงานถ้าเป็นญาติขอจะหาดีเลยนะไอหนังสายจะไม่หมดวันนี้เราจะรู้ได้หนังมีผู้แค่ไหนก็เราไมต้องไปแขนงหนังทหารนั้วเราผานหน้าที่อเราดีสท่ากคนที่สามคนที่คนที่เดียวที่อาจจะสิ้นระเบียก็อกว่าีมาเอนซะถ้าไม่ดีกว่าดีมาเองซะเนี่ย นบีโม่ไม like. like. ่ทำอย่างที่เสในที่ทีเราบิมาริสารถ้าไม่ดูนะเอาทีเนี่ยแทนนบีโม่เม็นนว่าอะไรฮะถ้าเอาทีูปดว่านี่ท้ายเอาของบีอีกะี่พเราบิมารินารเพราะเอาีอยู่ในขั้มัี่ว่าในทีก็รด้ิเกิดมาละยกที่อะไรครับกรสากบอกว่าอะไรขุนทำนองว่าค่าเด็กผู้ชาที่เกิดททุกคนพาเด็กเป็นชนี่มันราะอะไรที่ สิ่งแรกค่าคุม่หัวสังเอาญมันที่บอก่าท่เ็ปลูกของมหาลัยอ่าแต่แต่สิ่แรกม่คือเราก็เอาไปแย่ไม่ได้ครับแต่ตัวเองก็ไปดูใช้ที่อยู่ในถ้าใครกบอว่ารช่ว่าไปดูว่าไปดูอะไรปะมาณันนะสิ่งแรกที่ที่เราดูมาในโรงานนี่ครับที่ได้ยังจากอสุมาห์เราแเห็นดวงดาวคนที่อยู่ในถ้งมันไม่ใชเห็นแสงเลยหลังจาก้เรื่องเห็นแสงดวงดาวดวงดาวที่พระเ้าเป็วเนี่ยเรื่มเห็นนะครับ ยอตายแล้วมันยังยอมอดีตสุดท้ายังมีอบลรอดมาได้เาะทานอาจารยอัลลอฮฺที่มั่นสา่ที่มั่นสุกคเป็นศจษยชางพวกคุณไ่ใช่พระเจ้าใช่ไมและสุดท้ายยังมีุบลรอดเป็นมีอิหม่า้วยกับตัวเยงก็คือว่าต้องมีคนที่ทราบในสามอย่างนี้น่นเอแล้วจริงๆยอมมากกว่าใครอัลลอฮฺเป็นผู้ส่างแล้วแีอบลรอดเนี่ยเป็นคนที่ไปบอกต่อว่าาะ ยังจะนับถือสิ่งที่ช่วยอะไรก็ไม่ได้ทำประโยชน์ก็ไม่ได้ทำอันตรายก็ไม่ได้ถือคำหามอะไรก็รู้ภาษาเน่ก็ม่ตัง้งมำถาแล้วมันหิวไปตะโยกรอโมโย อ, อะไรกุยอนนะแล้วเสร็จแล้วก็กเป็นเป็นปัญหาแล้วเสร็จแล้วในที่บารมีรมาลัยสนามก็เป็นเรื่องกองการที่จะไปทำลายแล้วลสุดท้ายก็ถึงถูกนะถูกโดนโดนกองผ่านมาทำผู้ที่ผมบอกว่า ดีขั่วเนียลูกอยู่ที่ไทนอยู่ที่แม่ประมงข้านึ่งัของสองคนเนี่ยนาฏีเพราะอะไรที่สรามลูกของเขาเสียคนท่อไห้ผมนี่ยนาฏีเมื่อเราดีมาอะไรวีิสนามเก่ามาเป็นคนดีอยู่ข้างเป็นคะดีท่าไห้ผแม่ประมงสวางอยู่ใต้มาท่าท้างไห้ผมแม่แล้วลูกจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ผมจะรีพาร์ตพอควรข้าหรือ ลูกเขาเปนเกยมาเกยก็ตั้นพ่อคอยดูแลนะปาดหาพ่ออยูนะแต่แม่เอาแอบแหนะ่ะไรนะไปส่งเรียแม่แอะส่งมาสุดท้ายเชื่อไาเด็กคนนี้จบมกธยมตีพ่อเนี่ยแม่คอยแอบแล้วคอยดอยู่ตลอดเนี่ยแต่พ่อบอกไงให้ลูกคนเป็นแม่ยัให้ไปลองขึ้นอย่านแล้วก็ื่อพี่น แล้วดิฉันบอก่าใีบราพกนี้ก็เป็นคนแบบดีเพราะพ่อแม่ในเรื่องลูกไม่ดีเพราะพ่อแม่แล้วนี้ถามว่าพวกเราที่เป็นพ่อเป็นแม่เนียรละกินกันหมดาเราละลูนี้อยากไดเทีไดอยากไปไหนไปวันนี้ก็ได้พาะเราคได้แล้วให้แข้ามาลงไทยนนี้เราไปหางจุลกรที่เริมีวิถีักนะเขาบอกวันนี้เถาทิ้ไทยู้สลิมไทย ทางเ่าเลยที hey, okay, um, so ่คน okay really ิซิเน like ี like ่ยเขามีงานว่าามองว่าถ้าว่าเขาเรียนจบนี่ากนี้เขาจะเป็นอะไรแลจะทาอะไรแต่เขไม่ใช่เรียนดูขอั้งเรียนดูเขอตั้งเพราะเป็นเจ้าของสีสีน้ำมันเขาถึงบอกว่าวันนี้มหตุข้าเรียนจของเขาไม่คิดจะทำอะไรไม่คิดจะดีจะทาอะแต่คนไทยถ้มันคิดมันจะเป็นหน้ามันจะทำหน้ามันจะร่างนี้นี่คือสิ่งที่บอกว่าเขาเปบอกว่าเหตุผล คุณเป็นลูก็นรวยคิดไ่เหมือนนะถ้าคุเป็นลูกคนจนคุณจะมีทามองไกลอนากตแต่ถ้าคุณเป็นลูกคนที่คุณแม้แต่ก็อยู่ตลอดไม่เคยคิดคิดให้กับริหารนะแต่คนรวยที่มีการบริหารที่ดีเก่งแค่การเงินอะไรับเบลล์พันปัญหาเราเองถ้าเรเงินเพิ่มเติมมาบอกแต่ยังมาบอกว่าห้าพันห้าพันห้าพันไม่ใช่นั้นบอกว่าการนี้ลูจะดีจะชื่ออยู่ที่ใครเาบอกครับ นม่แต่ัมากกว่าแมเพราะ่จะกอะทำงานร่บฟันแม่แก็บอกอะไรนะล่อไปโน่นฟันดูดีมากอ่นี่อย่างแม่ที่านมันจะได้นะทื่ผก็ตัวนี่เนี่ยของผมลตกคนที่หกคนทองนดียังไม่แตงนะจะขอเลาแล้วแฝงไอ้คนที่หกลาสองขวสองวจเสียเวลาผมจะไปโรงเรียนนะเวลาเขพูดพันยาผมน่าหางเลยนะยกไปหนนีเาจะแฝงผมว่า ไม่ดีหรอนะเบอกมไม่แนาะไรนเือเด็กเนี่ยถ้าแต่งชุดแบบถ้าใส่เสื้อยี่เขาจะรู้ว่าเราไปดูไหนเยอะมดูไก่บอกดูไก่ถ้าแต่งุดเดียวยายเขบอกว่าเยอะแต่งชุดเดียวยายจะไหนเนี่ยไปนี่เหรอก็ีเรดเมียนเยอะไปนี่บรรยากาศงานเยอไปไหนต่อเนี่ยเรายืนฟังนะว่าขังว่าเด็กศสรังคมปฏิบัตนี้ว่าจะเป็นศิลไม่ว่าจะเป็นทีวีและจะบอกว่า วันนี้โทรศัพท์เจอต่างๆเล่นมือถือการุ่งสองหมนั่งใ้หมนเนี่ยยอหลงแค่หลับโดนแน่แล้วก็นพ่งบกเมื่อเปกี่านเด็กวุ่นวายทั้งหมดใช่ไหมไม่แปลกใจเด็กวุ่นมายสองหมสามหงมมานั่งหลงนี่แล้วแล้วถามว่าถ้ามันต้องเหลือเวลาให้เขาเล่นแบบยี่สี่ชั่วโมงนะนะมาเลิกตอนนี้ตอนนี้ผมบอกว่าลูกว่าล่ะลูกก็ต้องปกครองหน่อยต้องดูหน่อ แลทําพูดดี่บอกว่าตองแมงไม่นาะตกไปนิ่งหน่อยดหรือไม่เพื่อนคิดว่าใครภาษาไทรใช่ไหมตรงน้าไม่ไายตกไปนิ่งห่ยแล้วถ้าโกับไไ้เนี่ยคือคาพูดมันดีเหมือนแรกเราพูดสองพรว่าตองมงนา่ดมตงแมงไมนายจะมีมูซาเนี่ยมีมูซาที่อยู่เลก็จะท้ายนะครับ ที่อาไปไปล่อยที่แม่น้ำแม่แยงมันไม่ไหลไปตามนะมันไหนยอดตื้ไรส่วนน้ำเนี่ยพี่ไอนไรตัวน้ำไม่ไหลตัวไฟไม่ไหมจะนาดีเราหินอยู่บนตะกอไฟคือเรื่องเป็นคาพูดยา่าขาดข้อเราแหละแต่เราต้องสอนลูกเราว่ากลับไปหาใไรได้ศา ส, สนาดีมากสุดท้ยายคนดี อ, อย่างนี้ันเลยถึงแม้จไม่ใช่บิดอสู่มิจิจินะด ล, ลูกมันรักมันลูกมันรักทีลูกมานสอนลูกลูกมานจะเรีบกอย่างพวกคนที่เป็นพ่อแม่ทีุกคนลูกมานเริ่มต้นจากการที่จะเรียกลูกด้วยคำพูดที่สวยงามมาวันนี้ถ้าคนที่จะเจรียกแลยนะคนกรุงเทพชั้นในคนที่มีการปิดฉากเชิงสูงคนที่มีสมบูุณแต่เวลาก็จะเรียกลูกเขาเรียกแร่ร้อนนะสมมติว่าที่ไหนที่มูฮัมมัดมูฮัมหมัดป็ไหครับ แม่อยเหมือนนแต่ก็ปคนานจาไหมานะดีมันคนเาดเลยว่าลูกนว่ามาแมจะไปไหนคมมทานข้าอ่างไรมมาโรงเรียนเลยไหมคะลูกนเขาม่ีบลสบายไอนิบางทียังไม่ทันเดิน้บ้านนกเกิดแมัหมกนมาเขาถ้ทำรากม่ับไม้เมื่อ ผมเคยสอนนักศาเดคือเดบนกลเด็กเด็กเขาบอกว่าอว่าคูนั่นคือผ้าเด็กที่กลัวที่บ้านหนไม่มีกลัวกูพูดแค่พูดบางตัได้ไหมคูน่ะก็มาลาดหลายเด็กก็มาบาดหลายบางคนเวลาทูคนะเดี๋ยวตัวน้าเดี๋ยวเองไเงนะไอ้พวกนั้นคือหัวการฟางสาวแถงหู เมื่อขึ้นคนละแบบพวกเด็กมาจากสี่สิบคนแ่้คนละคุณกมูถามว่าไอ้พกใครอไอับไม่ได้หมาการจะเปคดละอาวลาพูดแบบนั้นอาจารย์บอกอาจารย์เป็นคนสลัมเนี่ยุดท้ายก็ไปจนถึงนรื่องเดียวกันที่ตัวสิงที่บอกว่าถ้าเราไปดูลูกประมาณลูกประมาณเรื่องประชามลูกว่าอะครับยาดูนั่นถ้าเป็นภาษาเป็นคำที่ใครรและสุภาพเ้ามาเลยนยาดูนั้นยาดูนั่นก็ว่าลูกน้อยแต่กาเป็นใคร่ร้อที่จ ถ้าเป็นภาษาอโลกสุทรักโลกน้อยอะไรเนี่ยประมาณนะแต่ถ้าบ้านเยหนูผมก็เดี๋้วทุอไรเนี่ยผมตกใจเลยบ้านผมไม่มีหนูอแล้วผมนกหมายมือะเจี๊ยบุตรีได้หนูและเรียกชื่อตัวเองในงานลนะสมมติผมเกี่ยวนทนี้ออกจะมีจะไปนี่เองที่มันีสุขีหรือเป่าประมาณนั้นมันมัชุมชนไหนชุ่มชนนั้น้วแต่เขาน แต่ต้องบอกพูกไม่ใช่เวลาไปอยู่ที่ไหนอีกจนชนตาต้องพูดอี่ไหแต่ตั้งค้นั่แ้แปาลาเรลาตกใจจิ๋นโหนอะไเรียกชี้สุดเองมากกว่าไม่มีต้องมาทุกทีแต่เวลาอยู่ไปก็วาดไปและสิ่งที่ลูกมาสอนลูกคนนั้นเรื่องใหญ่ที่มากจะตัวเดือเรื่องชีวิตเรื่องแม่ในลูกมาสอนลูกคือเรื่องชีวิตอยากให้ลูกมีชีวิตกับการสร้างปฏิทินกับเอาล่องเดืดขาด วันนี้พ็อธิบายว่าผมจะพยายามจะพาจอีกน so ่ายมจะพยายมจยานามจะพยายามจะพยายายมจายานจะยาามจามจะพาะพยายาพยพยายามจายมจาจะพยาามามะายามจะพยจะพยายามามายามจามจะามามจะมยายะาะยายามจะายามจาาามมยะมยา หมวกพี่ผู้ชายสายนเนี่ยนะที่เป็นลายๆายๆพ่เนี่ยนะมีหมวกจะมาตึประเทศอาหรับเรมาจากอะไรถ้าเาไปดูหมวกคนยินสมัยหมวกอยู่รหมวนะหมอกหมวกหมวกหมวหมวเนี่ะคือมัเถถ้าจบศิลปะไม่มีศิลปะอาาเราไปดูอาจจวดมาจากอินโดนีเซียถ้านลอไปดูคนอินโดนีเซียใครอยู่ไหมสลแต่ใครที่เจ้ของเลยขอมากใครเป็เจของชื่อ ที Buddha, roster, ่คนสบเปลี่สถานะคริสแล้วเสร็จแล้วเป็นไงนายภาคเจริญออกมาเป็นผู้มายนะครับบวกกันบางคนบอกนอกม่ได้ดอกบางคนบอกไปดูดีภาคชลย้าตรงดงจุฬาพักบนแบบไม่ไีดาวประเด็นนะเป็นเคื่อหมายบวกกัถนะะคนนี้ก็หมายวกไม่ให้ตาชาเครื่องหมายบวก็คือเกตท่านกลับไปดูวันียฮะสัีติชาจะนงมาทำไม มาทำลายมากดีกดแล้วมัปวีป้ายราที่ว่ามีม่เราดูเราจะแรกบอกว่าวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าถ้าเราอ่านนะ่ะนาเราไปดูนะมีกูนัานมีบอกทั้งหมดแล้วนรูประมาณนี่เราจะส า, ามารถดางนอะไรนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้พูดกันท่านแมนนนน้แต่สวนเียกีกปรัติศาตรสีส่คนที่อยู่ในกู่ น, นะครับก็มีอะไรที่ผิดพลาดหรือมโภาพที่ผ่ขอขอา กำอะไรที่กระสับหรือกถาหร็โต้หรือีงี้หรือที่นั่นก็เคยไถทามได้สต่องได้เรื่อยีแยกได้รับฟังแนะนำได้รับฟังไม่ได้คนที่มีกว่าคนฟังนะหลักจริงๆก็คือเป็นการแย่เปลี่ยนกันเป็นการทุกตัวกันถ้าแหล่สอบนักศผมจะใช่นี้นะ มสุ้าของการเรียนของมัตามภาคนผมจะแจกกรดาเด็กเลยคนละแผแล้วเสร็จแรกผมจะบอกเด็กนะว่าเขียนนูชอบยังไงไม่ชอบอังไงกระดาษอย่างไงจ็วาอย่างไงจะแนะนำอย่างรแล้วแต่เลยแล้วเสร็จแรกเราเงของเด็กนี่แหละเป็นหารู่ว่าออที่เราสอนนี่ใครเด็กม่ชอบที่เราทำนี้เด็กไม่ชอบเมาปรับรุงเลยต้องมนการกระเำจะไปสนหนังสือเรื่องใดทาก็มีสิทธิ์ที่จะแนะนำพ่อเคยพี่น้องครับ เพราะบางทีเอนตัว <THERE> ม <tr <can> ุสิมแท้ๆนะบามีช้คำศัพที่ที่นภาษาภาษาเยอะๆก็ความไม่รู้เรื่องขันบนะหรอบางทีเชื่อเป็นมุสลิมใหม่ราไม่รื่องขั้นบนี่แหละางที่ไม้ืออามนะหัไม่เรื่องขั้นบนเลยเป็นเยอะเนนทะจรอช่ะท่านมีั พี่บุ๊คพี่ d i ๊ o พี่เสเสริ มาอาศัยมาพล่ามาพยายมิลามาอาศัยมาอาศัยาหมันะนีจะดูหนาันนะีจะอากพิลาเขาอบว่าตรวจสอบตรนี่ระบบตรวจสอบทั้งีและคาะรคร응ับามมอัยก <trail> ูอาสุตแล้วาันบุ วันที่มีขบวนตูดแล้วและเมา่วันี้ไหมครับท่านตองากอนที่จะถูกงานอป็รประชัน่คือความพูกของท่านนะแต่ในหนังสือว่าบอกปู้ของท่านหแต่ที่ผมตรวจมาแล้วคือเป็นพู้ของขันผนเตภาพงานก็เป็นงาดีเจ้ัพข้าเป็น้ากับ ในสภาพที่เล่ามาแล้วแหละถ้าตอนนั้นก็คือเป็นผู้ที่ปฏิเสตอนนี้พ่อพ่อเราไม่ต้อง่านินเพราะที่พี่ไม่ชถ้าเกิด่าจะวันนี้ผมไม่ข้าคิดเลนาบีพ่อคือเวลาสอนเนี่ยนาบีพ่อเยสมว่ตอนนี้ผมมาสอนท่านเยอะแหละแต่ผมมาเพราะอะไรผมมาก็ผมก็ต้องสอนแต่ถ้าผมยังไม่ได้เอามาเพราว่ามีสองอย่าง ตอนที่ผมเขียนหากทความหาหลักฐานเนี่ยผมไม่ได้อธิบายเจ้าความด้วย้ตอนที่ผมเน่ะกำลังหาจต่แม่เี้ยงชีกบอกว่าม่วานผมไปบราเ่องนี้มาให้เหมือนใครวะไม่ตกไม่ตถาแว่าเมืวานจะบอกผู้หญเรื่องเลยวกับคนที่บายแ้่ทุกค้งหมก็เป็ทุกค้งแต่พยยามที่จบอกว่าไม่อยากให้เป็นเหมือนใครประวัติศาสตร์ของกรีว่าอะไรขนาดนั้นก็จะไดมาสู่กับจริงผู้หญิงไม่ได้มาละหาดใช่ไห เขาต้องการให้คนที่เป็นพระพุทธวัตรลังสุกเนี่ยนสิ่งที่ก็เติมา่านไปบอกภรรยาที่ว่าแต่ถ้าแม่ปรรยากระถามมีว่านนี้มาถือรือสกยังไงด้วยบางรรยาจะระถามว่าบ้างวันนี้เป็นยังไงเขาสอนยอย่างไีไม่องถามในตัวเลยบางส่วเราก็มีวิธีวิธีแก้เขาทำเป็นชี้ให้เห็นเนี่ยอาหารดูนมีชีเวลาที่ตุกะหรือทุกคนแขกพุทธวตาเรียนคนใเจ้าก็มีคน ที่อื่นเจนแมประกาศไปก็ปวันอาเภอวันเยนเสี่ยงสอนเรืองีหาดลีนะปีดีแล้วถ้าคนไม่ดีเลยอยากเป้นม้อหนะไป้าเองดีแต่ทะเลาอกนเลยหมดนะปีนครับอันนี้ต้องทบ้ดีกว่านี้เีมา นบีมฮัมมัดนะสารกว่านบีสัม่ด้แต่นบีมฮัมมัดแต่นาบีเผมไม่เคยไม่ดีเลยแต่นาบีมฮัมมัดนะสารกว่าค่ะแพสุดท้ายอันสุดท้ายเนี่ยเรรับกทกาาอย่อนัานสรอั สมาน a รัทธาเมื่อพิมพ์ a าร์ a ซอร์ใจนี l a ด้สับน้ำต